จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นอีกแล้วณบัดนี้นะเราไปงานอโศกรมลึกกันมาสะกสี่ห้าวันนะก็เป็นรายการอะไรแต่ใดไปตาม ลีลาของงานอโศกรุลึกมาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ปกตินะก็มาตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายน2555วันที่11มิถุนายนแล้วขึ้นสามขัเดิ น, น 56, อเจ็ดห้าสิบหกคอไปแม่พูดผิดพูดถูกจะไมะสัญญาอย่างไงเอาห้าสิบห้าห้าสิบหก น่ะอ้าเราก็มาดำเนินรายการกันไปตามเคยคืออาตมา ก, ก็จะพูดคนเดียวไปก่อนในรายการนี้ครึ่งรายการคือชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ชมอยู่ทั้งบ้านที่จะส่งประเด็นเข้ามาได้น่าก็ขอบอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาได้าออดาาไดตามธรรมเนียมนะ มีสองหมายเลขด้วยกัน0885859117กับ0885859118เอาอีกทีนึงหน้าทวนอีกทีนึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาสู่รายการนี้นั้นคือ0 แป5แปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับศู8 5 8แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดอ้าวส่งมาอ้าวทีนี้เราก็มาสู่รายการเอาวันนี้อาตมา ก, ก็คงจะต้องพูดต่อต่อจากที่เรา ได้หยุดวักไปงานโศกรำบรึกแต่ก็จะพูดอยู่บ <tr> in ้างนะในเรื่องของสาระเกี่ยวกับธรรมะของพระเจ้าก็มีสาระเดียวแล้วไม่มีอื่นหรอกจะพูดไปไหนๆถึงไหนๆนๆก็อันเดียวนะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์นะไม่ถูกผูกไว้ เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมเป็นไปเพื่อความไม่มากมากมากน้อยเป็นไปเพื่อความพออซึ่งท่านแปลกันว่าสันโดษทับศัพท์ทาไมสันโดษทัศัพท์ท่านก็ไปแปลอะไรที่อาตมากระท้วงแล้วว่าเท่าสันโดษจะไปแปลว่า พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะอัตมาก็ว่าเออมันก็ตีความเลี่ยงบัลลีไปได้ก็เราก็พอใจของเรามีอยู่ของเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจเท่านั้นนะเรามีแสนล้านล้วก็พอใจในของเราแสนล้านใครจะทำไมเราไม่ให้ใครก็ได้ไปเพื่อแพใครก็ไม่ผิดอะไรนะรันไม่กินความถึงการสละออกมากน้อยหรือว่าการมีน้อยๆเพราะงั้นมันพอมันมีมาก แน่นอนใครก็พอแต่มีน้อยคุณพอมั้ยมีน้อยๆพอไหมมักน้อยแล้วก็มีน้อยเออมีน้อยๆพอไหมละ่ะอย่างนี้เป็นต้นตมันจะคานแยงกันได้นะอ้าเดี๋ยวค่อยอขยายความบ้างนะพอดีมีนในพระเจิญดกเล่มยี่สิบสามข้อร้อยสี่สิบสามนะท่านตรัสไปชัดใน ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้ว่าหนึ่งเป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดนั่นนี่เป็นเครื่องสัจสิ่งว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าธรรมะใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นเป็นการเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเอาข้อไปเป็นไปเพื่อความกำหนัดนะเป็นไปเพื่อความกำหนัด มันมีความกำหนัดถ้าศาสตร์ธรรมะใดๆที่บรรยายกันหรือว่าพูดกันแล้วมันมีน้ำหนักเสริมไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดเสริมความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดนะสราคายะสังวัตันติโนวิราคายะอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ิีในของพระเจ้าพูดไปอธิบายกันไป สาธยากันให้เก่งยอดยังไงก็ตามถ้าเป็นไปเพ่อความกําหนัดคือความใครอยากเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาซึ่งอันนี้แหละมันมีความหมายที่จะต้องชัดเจนว่าความปรารถนาความใครอยากหรือความอยากได้ความต้องการเนี่ยเราต้องการนิพพานนี่มันตนซึ่งมันจะย้อนแย้งโดยภาษามากเลยเพราะความลึกซึ้งแล้วเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแล้วนิพพานมันคืออะไรนิพพานมันคือความหมดความอยากสิ้นความเสษนิพพานมันหมดความอยากสิ้นความเสพเราเราอยากได้ความหมดความอยากสิ้นความเสษอันนี้ไม่ถือว่ามันเป็นการขัดแย้งนะเราอยากแต่เราอยากอย่างหมดความอยาก อยากอย่างหมดความอยากอยากได้หมดความอยากซึ่งในภาษาคำว่าตัณหามันมีสามตัณหาตัณหาที่มีพบของกามีพบของภาวะพบเดวะกามันตัณหากับภาวะตัณหาส่วนกามาพบมันก็เป็นพบมันก็เป็นกามภาะตัณหามันก็เป็นรู้ประพบอรูปรพบส่วนตัณหาอีกอันหนึ่งคือวิภาวะตัณหาอันนี้แหละ พู้ที่ยังไม่ข้ามขั้นไปถึงโลกุตระแล้วก็จะแปลวนอยู่ว่าไม่ไม่พบแปลว่าความมีความเป็นเพราะว่าวิภาะวะเขาก็แปลว่าไม่ไม่มีความมีไม่มีความเป็นมันก็เลยย้อนแย้งกันว่าอ้าวถ้ามีวิภาวะตัณหาคือเป็นตัณหาต้องการความมีความเป็นพอวิภาวะตัณหาก็คือไม่ต้องการต้องการความไม่มีไม่เป็น ไม่ต้องการความต้องการความไม่มีไม่เป็นต้องการความไม่มีไม่เป็นอันนั้นต้องการความมีความเป็นเพราะวตนามันก็กลับกันเท่านั้นเองมันไม่ได้พูดถึงชั้นของโลกุตระอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ความวนอยู่ระหว่างกลับกันไปกลับกันมากลับไปกลับมาวนอยู่ที่เก่าแหละวนไม่ก็มีมีก็ไม่ไม่ก็มีมีก็ไม่ไม่ไม่มก็มีมีก็ไม่ไม่ก็มีอยู่อย่างนั้นเองหละเก่าแหละ ก็เทียบกันอยู่ว่าไม่ไม่ไม่มีหรือมีไอ้นี่ไม่มีไอ้ไม่มีเขาบอก็คู่กับมีมีก็ไม่มีคู่กับไม่มีไม่มีก็คก็มีอยู่เงี้ยเพราะการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ซึ่งสมุดไทยกับไม่มีสมุดไทยโลกสมุดไทยก็โลกนี้โรกที่มีกับไม่มีเนี่ยซับซ้อนลึกซึ้งเพราะงั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้ทีจะไม่มีมันคืออย่างไรกันแน่เพราะงั้นไม่มีวิภาวะคํานี้หรือไม่มี โลคสมุทรไทยมันไม่ใช่ว่ า, ามีโรคสมุทรไทยแล้วก็ไม่มีโรคสมุทรไทยมีคือมีก็ไม่มีเท่านั้นวน อ, อ, อยุยงั้นไม่หมดไปจากเหตุจากสมุทรไทยไปได้เลยเป็นนิโรธสนิทเลยทำไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะภาษามันไม่ไม่ข้ามขั้นมาเป็นโล ก, กุตร ะ, ะเพราะฉนั้นการแปลในในในกรอบหรือในความวนของโลกิยะมันก็จะแปลกันอยู่อย่างนี้ไป ที่อาตมาก็เห็นใจนะเพราะว่ามันเดายากมันไม่ใช่เรื่องเดามันต้องมีสภาวะอย่ากที่จะวนอย่างนั้นอาตมาเข้าใจมันจะไปยากอะไรล่ะกลับกันไปกลับกันมาวนอยู่อย่างเก่าคือแน่นั่ะปฏิเสธก็ไปปฏิเสธกันมาอยู่เฉยๆวนก็อยู่ในสภาวะเดิมโลกเดิมจุดเดิมอพักยกเท่านั้นเองอัมีแล้วก็มาไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีวนอยู่เนี้ยเี่นนี้มันไม่ใช่มันไม่มีแล้วมันหมดไปไม่มีแล้วมันก็หมดไป แล้วมันก็จนกระทั่งมันไม่กลับมามีอีกเลยอสังกุปปังไม่กลับกําเริบอีกเลยเมื่อวนมาสู่ที่เก่าอีกเลยอย่างมั่นคงแข็งแรงทาววรเป็นนิจังทุกวังสัสตังอวิปรินามะทางมังอสังหิรังจุดนี้ประเด็นอย่างนี้แหละเป็นประเด็นที่ก็อจตมาพยายามย้ำผู้ศึกษาให้ศึกษาให้ทําความเข้าใจให้ได้ ถ้าไม่เช่นั้นแล้วมันก็บรรลุไม่ได้นัน่นเองพูดถึงเรื่องความกําหนัดหรือความยังมีความต้องการกําหนัดหรือต้องการใคร่ยากอยู่ะเพราะฉะนั้นใครายกำหนัดความต้องการใคร่ยากแล้วใคร่อยากมันก็ต้องมีความใคร่ยากอยู่อยากได้สิ่งที่เจริญแม้ที่สุดหมดความใคร่ยากแล้วก็ยังมีความต้องการตามธรรมชาติที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสไม่ได้มากเลมานไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อโดยเฉพาะไม่มีความเป็นโลกียะ โลกียรถโลกียสุขมดความเป็นโลกียสุขโลกียรถกลางศูนย์ว่างเป็นกลางเป็นศูนย์เป็นว่างเพราะเราจะต้องรู้ว่าจิตวิญญาณที่มันมีรถจิตวิญญาณที่มันมีโลกีมันคืออย่างไรอาการของโลกียรถเป็นอย่างไรอาการของวิมุตติรถ คือรถที่บุรุษพ้นไปจากอาการนี้แล้วหรือนิโรดดับไปแล้วแล้วก็ไม่เวียนวนมาเกิดอีกเลยแม้จะมีเหตุมันอยู่จะมีเหตุทางวัตถุจะมีเหตุทางสิ่งที่มันยังมีอยู่ในโลกเป็นสามัญธรรมชาติแต่เราก็สัมผัสอันนี้แล้วไม่เกิดรถนี้ไม่เกิดกิเลสอันนี้ไม่เกิดอารมณ์นี้ไม่เกิดเวทนานี้เป็นเวทนาที่หมดสุขหมดทุกข์หรือหมดอารมณ์ อารมณ์อย่างโลกีได้เสด็จไม่กลับไม่มีไม่เป็นไม่เวียนวนอีกเลยและได้อย่างมั่นคงขนาดไม่ไม่มีอะไรมาหักล้างการที่จะสำเร็จนี้ไปได้อสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีการมันลบล้างไม่มีการมาทําลายผลผลธรรมอันนี้ผลความบรรลุอันนี้ไม่มีอะไรมาทําลายมหักล้างมาเปลี่ยนแปลงไปได้อวิปริณามมันทำมังไม่แปลเป็นอื่นไม่มีอะไรมาหักล้างได้ ไม่มีอำนาจอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้อะไร น, น, นีเป็นอย่างนี้เป็นต้น น, นี่คือแวะที่บอกว่าข้อหนึ่งท่านบอกว่าเป็นหลักตัดสินว่าอันนี้ถ้าถ้าอย่างนี้แล้วไม่ใช่ท ร, รมาวินัยของพูะุทธเจ้ามันกลับการกที่มีเป็นธรรมวินัยอันนี้ก็เห็นอยู่ในปฐพิฎกเล่มยี่ิบสามมีผู้เห็นแล้วเอามาให้อัตมาดูาว่าอ๋อดีในขอน้อร้อยสี่สิบสามเป็นไปเพื่อความกำหนับ ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดอ น, นิจไม่ใช่ธรรมของพุะเจ้าสองเป็นไปเพื่อความประกอบสัตวว้หรือผูกสัตวัยนะประกอบสัตวัยหรือผูกสัตวว้ไม่เป็นไปเพื่อการพรากสัตว์ออกสังโยคายสังวัตตันติโนวิสังโยคายถ้าไม่ใช่การเพื่อการ พลากสัตว์ออกหรือหมดการผูกมัดหลุดพ้นออกไปได้ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์และอันนี้แหละสัตว์ที่ว่านี้ต้องเข้าใจความเป็นสัตว์เรายังมีความเป็นสัตว์อยู่เรียกว่าสัตว์ตาว่าเรายังมีความเป็นสัตว์อยู่เรายังอยู่มีที่อยู่ของสัตว์ในจิตใจของเราสัตวตาว่าใจของเรายังมีสัตว์ มีที่อยู่ให้สัตว์โดยเฉพาะถั้งกมดให้ศึกษาเป็นสมาธิิว่าสัตว์โอปปาติกะสตตาโอปปาติกะในสมาธิิข้อที่๙ถ้าเราเข้าใจไม่ได้ว่าสัตว์อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณอาการของความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณเป็นอาการยังไง มีความเครื่องหมายอย่างไรลักษณะอย่างไรเราเราจะต้องอ่านออกดูเป็นเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้หมายถึงรูปร่างสีสันตัวตนเท่านั้นแต่เป็นอาการจริงๆเลยและอาการนั้นถ้าเป็นธรรมะที่ลึกแล้วเป็นอาการทุกร้อนอาการตกนรกหรือเป็นเปรตนี่เป็นอาการทุกร้อนเป็นอาการของจิตใจเป็นอาการมันไม่ใช่เรื่องตัวตนบุคคลเราเขาจะต้องไปตกสร ะ, ะทองแดงไป ตุ้นหิ้วเสียบมาไอฟันทองเหลืองฟันโล ห, แหละแหลมๆกัดทิ่มดึงที่เขาพยายามวาดเป็นบุคลาธิฐานไปให้มันน่ากลัวน่าอะไรก็ไรอ่แล้วก็ไปปั้นเป็นสัญญาแล้วก็จนกขาตั้งเป็นมโนโมิยอัตตาเป็นรูปที่สําเร็จด้วยจิตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นเป็นจริงเป็นสัตว์ที่มีตัวตนบุคคลเราเขา นี่มันไม่ใช่มันนีมน่มันเป็นเป็นปรมาทิตยมันมีแต่ลักษณะนามมาทำเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแม่รูปวันนี้ก็ไม่ใช่รูปประขันที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปมันเป็นองค์ประกอบหรือองค์ประชุมเลวาการโยที่เป็นรูปที่เป็นนามมารูปมันไม่ใช่รูป ร, รูปแต่มันเป็นรู ป, ปรกายได้ เป็นนามกายถ้าเข้าใจรู ป, ปรกายองค์ประชุมของรูปทั้งหมดทั้งรูปในภายนอกและรูปในภายในรูปอันนี้หมายถึงการถูกรู้การถูกรู้อย่างนี้เป็นต้นถูกรู้ที่มันเกิดจากทางตาถูกรู้มันเกิดจากทางหูเกิดจากทางจมกูกท้งลิ้นทางกายสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ ถูกรู้ได้ภายนอกก็เรียกว่ารูปข้างนอ ก, กรูปรูปถ้าเข้าไปข้างในก็เรียกว่านามมรูปถูกรู้ได้เป็นนามมรูปอย่างนี้เป็นต้นแล้วองค์ประชุมที่เป็นกายนี่ก็สําคัญซับซ้อนคำว่ากายะวันนี้ก็คงจะได้อธิบายคาว่ากายเราอธิบายเขาก่อนมาถึงสภาวะสัญญาเวทีเจ ต, ตในโรธที่ยังไม่ถูกต้องไม่ใช่ของพุทธเราก็ขยายความมาเพราะเหตุอะไร นะเพราะเรื่องอะไรอาตมาพยายามจะแยกแยะไอ้ฟังว่าเพราะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาเพราะว่าเรายังไม่รู้หรือว่าอะไรข้อที่หนึ่งอาตมาก็จักจะจาไม่ค่อยแม่นสักแล้วอานะตมาก็คนะอะไรน ะ, ะไม่ใช่ S <S อ่อเหตุสหห่าเก้าเหตุนะข้าวเก้าเหตุที่ปฏิบัติคือตอนมีนิโรธแต่แท้จริงนั้นนิโรธนั้นยังไม่ใช่สัญญาเวทีนิโรธนะหลงตนว่ามีนิโรธข้อหนึ่งะแต่แท้จริงนิโรธนั้นไม่ใช่นิโรธของพุทธของพระเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่หนึ่งส่วนข้ออื่นๆไปอีก นะข้อที่สองนะข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปอยังไม่รู้จักอันนั้นอนันนี้อัตมาสองคือยังมีกิเลสอยู่ข้อสามยังมีการยังกําหนดการเกิดหราไม่รู้จักการเกิดยังไม่ถูกต้องเข้า่าชาติอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สี่ยังมีโลกข้อที่ห้ายังมีความเป็นสัตว์นะยังมีความเป็นสัตว์นี่แหละที่กําลังพูดจนถึง ว่าเป็นสัตว์คืออาการอย่างไรแล้หนกะยังมีกายนะข้อหกยังมีกายเราอธิบายมาถึงตรงนี้นะถึงจะยาวความคําคมีกายนีย่จะยาวเพราะมันลึกซึ้งถึงอาตมาก็ได้พยายามบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงคําว่ากายนี้อย่างลึกซึ้งมากไม่ว่าอยในวิ ญ, ญญาณที่ติดเจ็ดไม่ว่าอยู่ในสัตตวาาเองเลยสัตว์ว่าก็คือความเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่จิตเเนี่ยมันให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ เราเลี้ยงมันว่าอย่างโอ้โหประครบประงมฟูมฟากเลยนะให้มันตาโตมันอ้วนมันแข็งแรงแมเจริญ ง, งอกงามไพยบูนให้มีประสิทธิภาพเก่งยอดแข็งกตตนเองเลยสัตว์พวกนี้นี่เลี้ยงจังเลี้ยงจังเลยเนี่ยแม่เป็นไงพูดนี่พกเราพอฟังแล้วเข้าใจก็ชัดเจนแล้วเนี่ย ทราบซึ้งไหมนี่มันโง่ได้ระดับจริงๆเลยนะใช่ไหมมันไม่รู้เนี่ยในเคลวอวิชาอาตมาได้ใช้ศัตว์ให้มันแรงๆหน่อยมันโง่ได้ระดับคนเราไม่รู้สิ่งที่เลวร้ายแล้วเราก็เลี้ยงประกบประงมปูฟูมฟักมันสร้างความเป็นสัตว์ใส่จิตตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นจะไม่รู้ว่าความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์จะเป็นสัตว์ทั้งพมสัตว์เทวาสัตว์ หรือจะเป็นสัตว์เดริชานทางใจสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดริชานสัตว์อวินิบาตพวกนี้ต่างๆก็เอาคำว่สัตว์มามาเรียกเป็นสภาพสัตว์ทางจิตวิญญาณโอปปาติกสัตว์หรือสัตตาโอปปาติกาเนี่ยมะนถ้าเราไม่เข้าใจตรงข้อก้านี้ที่บอกยังไม่สมาธิถิตในเรื่องสัตตาโอปปาติกาไม่รู้จะความเป็นสัตว์นี้ยังถูกต้อง แล้วก็ไปนึกถึงสัตว์เทวดาสัตว์พรหมหรือสัตว์นรกที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขามีรูปมีร่างเท่านั้นเท่านั้นมีรูปมีร่างแล้วก็น่นาจะต้องแสดงว่าทราจะรู้จักสัตว์นี้ได้เพราะเราจะต้องมีตาทิพย์เห็นรูปร่างสีสันตัวตนโดยเฉพาะรูปคือตาเห็นเป็นรูปเลย เป็นรูปร่างอย่างนั้นมีเส้นมีสายมีอะไรตั้งตั้งที่จิตวิ ญ, ญญาณมันไม่มีสีสันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างท่านก็บอกอัศรีรังอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะเป็นวิญญาณที่อ น, นิทัศ น, น, นังอนันตังสัพโตปรพังนี่คือหลักฐานคำกลัดของพุทธเจ้าทั้งสิน้นที่อาตมามายืนยันมันเพี้ยนไปมากไปเป็นเทวนิยมเทวนิยมเขาก็เห็นอย่างนันงไงเลยไม่ตัวเป็นตน เห็นเป็นตัวเป็นตนก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะใช้นิมิตเครื่องหมายเป็นตัวตนอย่างพระโมคคัลลานะนี่ท่านยังติดนิมิตท่านก็มีนิมิตของท่านปลาเห็นรูปเป็นร่างอตาลืมโธโลโธนี่ก็เห็นได้แต่ท่านไม่ฉิชฉาทิฏฐิแล้วท่านก็พุ่งเกาไปทึ่ ง, างนมามธรรมของมันไม่ได้ไปมองแต่แค่รูปธรรมเช่นอัตมายกตัวอย่างว่าคนที่เขียนภาพ ร่างกายเป็นคนใส่เสื้อนอกแต่หัวเป็นหมาเป็นลิงเป็นควายเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรจะหลายๆอย่างนั่นเป็นรูปร่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วมองปั๊บก็โอ้โหมนุษย์อุบาทพวกนี้เนี่ยมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์เดรัจฉานโอน่ยเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปติดว่าคนจะต้องหัวเป็นอย่างั้น ใส่เสื้อนอกแล้วหัวมันเป็นอย่างนี้มีจริงๆเลยในโลกหรือในศัจจธรรมที่ไหนก็ตามในโลกนี้โลกทางจิตวิญญาณโลกไหนก็ตามคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่สัมผัสเขาก็รู้แล้วโดยมีปัญญาแล้วว่ามันไม่มีหรอกคนไอ้ที่รูปร่างอย่างเงี้ยหรือว่าสัตว์นโลกที่มีรูปร่างเป็นตัวคนใส่เสื้อนอกนี่มันไม่มีหรอกและคนที่หมายใส่เสื้อนอกอย่างเงี้ยอยู่ในสถานที่ไหนหมายถึงอะไร แล่หัวมันเป็นสัตว์ในรชานพวกนี้มันหมายถึงอะไรคนที่เข้าใจปุกราธิฐานธรรมาทิฐานแล้วสัมผัสอ่านออกเลยไม่ได้ยึดติดไม่ได้เชื่อเลยว่ามันมีรูปร่างงั้นเป็นสิ่งแทนเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่านี่หมายถึงจิตวิญญาณ น, นจะจ๊ะเพราะคนที่เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วชัดเจนก็ไม่ติดยึดใช้แทนไดน้อย่างนี้เป็นต้น แต่คนยังหลงติดยุดอยูแ่แอรูปร่างก็ว่ารูปร่างเนี่ยถ้าใครไม่เห็นรูปร่างนี้ไม่จริงนะถ้าใครไม่เห็นรูปร่างนี้ไม่ใช่และรูปร่างตรงตรงกันด้วยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในสัตวว่าข้อที่หนึ่งหรือในกายในวิญญาณทีติข้อที่หนึ่งผู้เห็นกายองค์ประชุมของสภาวะธรรมถ้าสัญญาณคุณวิปลาสสัญญางคุณไม่สมาธิ คุณก็จะไปกําหนดกายเป็นรูปร่างอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนี่ต่างกันไปหมดสัญญาต่างกันกายต่างกันไปหมดนาณาตคาโยนาณาตสั ญ, ญโนหมดไม่มีหมือตรงกันหรอกเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นมนุษย์ก็ต่างกันคุณก็ต้องกำหนดมนุษย์ต่างกันรูปร่างหน้าตาต่างกันแล้วไปกําหนดความเป็นมนุษย์ทางจิตสูงคุณก็กําหนดไม่เหมือนกันหรอก จิตสูงของคนที่โลกิยาเขาบอกว่าจิตใจสูงคือคนที่จะต้องฉเฉลียวฉลาดเอาเปรียบเก่งโอ้โหมีความฉลาดที่จะได้มาร่ารวยได้ยศเก่งวิ่งเต็นได้เก่งเร็วน่าอะไรต่างๆนานาเขาเป็นโลกิยาไปหมดเลยก็ยกย่อ ง, องชมเชยสัญญาคนที่เจริญแบบนั้นคนเสื่อมแบบนั้น มนุษย์ทิ่จิตสูงใจสูงของเขาเพื่อก็พัฒนาไปสู่ความสูงตามสัญญากาหมายของเขาแต่ของเราโลกุตระไม่แล้วสัญญาต้องต่างกันโดยเฉพาะโลกียะกับโลกุตระสัญญาต่างกันกายที่ได้องค์ประชุมต้องจิตก็ต่างกันเพราะจะเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเป็นสัตว์นรกก็ตามอย่างกาย จะอย่างวิญญาณทิฏฐิข้อ น, นึงหรืสัตว์ว่าดข้อ น, น, นึงนี่เป็นต้นจะต่างกันไปหมดแม้จะดูเหมือนคล้ายกันตรงกันโลกียะเหมือนกันก็ต่างคนต่างปั้นต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างสัญญาต่างกันไป ห, หมดโดยเฉพาะโลกียะหรือเทวนิยมก็จะกําหนดอย่างหนึ่ง เทวนิยมไม่สงสัยในเรื่องความเป็นเทวะที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วว่าเทวะหมายถึงอะไรแม้แต่เทวะที่เป็นสมมติเทพเป็นอุปัติเทศเป็นวิสุธิเทพคืออะไรจะชัดเจนเลยรู้เทวดามารพรหมก็มเป็นเทวดาความเป็นมารเป็นผีเป็นสิ่งที่ตกต่ำนะมารคือตัวร้ายพรหมก็บริสุทธิ์เทวดาก็คือจิตชั้นสูงสูงอย่างสมมติเทสมมุติเทศ สูงอย่างอุบัติสูงอย่างวิสุทธิอุบัติก็คืออย่างไรอุบัติกลางๆางอุบัติเป็นโลกีก็ได้ก็เข้าใจอย่างโลกีอุบัติเป็นโลกุตระก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้ารู้แจ้งแล้วเราก็สมมุติเทพเราก็รู้ว่าอุบัติเป็นสมมติเทพโลกีหรือสมมุติเทพแต่ถ้าอุบัติจริงๆแล้วต้องอุบัติขึ้นเป็นโลกุตระเป็นสัตว์ทางโลกุตระเป็นสัตว์ทางอริยะที่แท้ของพุทธ ไม่ใช่อริยะอยู่แต่แค่บนเวียนอยู่ในโลกียอย่างเดิมจเจริญขึ้นมาด้วยการอาจจะมีความดีบ้างแต่ไม่ได้เป็นฆ่าตัวเหตุไม่เป็นอริยสัจสี่ไม่เป็นอริยสัจสี่ไม่รู้จักเหตุที่มันตกต่ำเสื่อมแล้วก็ฆ่าหรือดับเหตุด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีไตรสิกขาเจรณะสิบผ้าวิชาแปดมักองแปดโพธชงเจ็ดโพธิปักขยธรรมสาสิบเจ็ดก็วิธีไหนที่ธรมของพระเจา้าตรัสไปนะ่ะถูกตรงเหมือนกันหมดน่ะคือรู้จักตัวเหตุร้ายคือทุกและเหตุเออพระเจ้าตัวตั ว, ตวร้าย ทุกทุกและก็ตัวเหตุที่มาพาไปเป็นตัวร้ายนั้นล้วมีวิธีดับแล้วก็ดับได้จริงอริยสัจสี่ถึงเนี่ยว่าหัวใจของาศาสนาพุทธนึกถึงเป็นนามธรรมาสัดจริงและเป็นเจตจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งท่านย่อไว้โบราณอาจารย์สวปสี่คำนี้ชัดดีมากครบแล้ว อาตมาก็ว่าตามแล้วก็ผี่พูดที่เขาเข้าใจยังไม่ทราบซึ่งเขาก็บอกพี่ทำก็พูดได้แต่แค่จิตเจนแต่สิ่งรูปนิพพานก็นั่นแหละเท่านั้นแหละคอยมารู้จริงเถอะพระคุณถ้ารู้จริงแล้วคนจะไม่ไปท้วงคนฟุตคนอื่นว่าพูดอันนี้เพราะมันครบเพราะความเป็นรูปนี่ก็ชัดเจนถ้ารูปรูปรูปอยู่คุณก็ยังยังหลงยังชัดเจนไม่ได้เลยว่ารูปรูปคืออะไรนามมารูปคืออะไร แล้แยกรูปแยกนามไปเอกเป็นรูปประกายนามปกอบกายคืออย่างไรก็จะไม่รู้เลยว่ารูปประกายหรือนามปกอบกายหรือว่ารูปประกอบนามมารูปและไอ้รูปคํานี้มันอยู่ในรูปไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานมันหมายถึงรูปไหนหมายถึงรูปประคันขันท่าคือรูปประคันเหรอไม่ใช่รูปประคันถ้าแยกท่าไม่ใช่ครรูปประคัน รูปของอภิธรรมเนี่ยถ้าแยกข้าไม่ใช่รูปรขันนะถ้าจะพาดปะกันจริงๆหมายถึงนามมาขันมากกว่าที่สําแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงทีเดียวเพราะรวมทั้งรูปและนามจึงเรียกว่ารูปและนามมาขันไม่ได้เรียกรวมกันไม่ได้เรีรวมกันไม่ได้แยกมันรูปทั้งจะแยกมันเรียกรู ป, ป ร, รูปนะรู ป, ปรกาย นามารูปนามมักายอะไรงนี่เป็นต้นอแต่นามมานามท่านเคยไม่เคยเรียกนะไม่เคยมีพระยาชนนเรียกว่านามมานามไม่เคยมีมีรูปรูปมีแต่นามมานามไม่มีแม้เกิดจะเป็นนามมนานั่นเนี่ยนามมานามเกิดเป็นนามมนาวอตมาสมัยบวชเป็นเองเก่งนามมนาทำนามอัฐบาล บอกวบีบกัจะมือแสบมันมันกัดเนเออทํากันทั้งวัดกินกันนี่ความหลังตั้งแตอ่อัตมาอายุเจ็ดขวบเก้าขวบนะไม่ถึงเก้าขวบมันตอนบวชเป็นแนเนี่ยเจ็ดขวบแปดขวบเป็ไงเนี่ยดูว่าอายุแปดขวบอทีนี้มา ต่อกันตรงที่อัตมาอยากจะต่อก็คือ่อขยายความมาแค่นั้นก่อนนความเป็นสัตว์กับความวิราคะนอกนั้นก็ยังไม่ต่อนที่จะพูดถึงพูดถึงมื่อกี้นี่ท่านก็พูดถึงว่าความไม่ใช่คําสอนของพระเจ้านั้นมันก็คือท่านก็ตรัสว่าถ้าไม่เป็นไปเพื่ออันนี้แต่ยังเป็นไปเพื่ออันนี้อยู่มันไม่ใช่นควรจะมาสะสมอยู่อปัจยะก็ตามข้อที่สาม ดูไหมข้อที่สี่มักน้อยเป็ น, ปนไปเพื่อวามมากมากก็ตามไม่ใช่ของท่านหรือไม่สันโดษไม่พออาตมาก็แปลให้ตรงชัดเลยว่าใจพอสันโดษนี่คือพออ่าจิในหลวงเราเอามันให้พากันศึกษาแล้วให้เป็นได้ได้คือพอเพียงนี่แหละแต่ไม่ไม่เข้าใจพอใจมันพอคืออะไรก็มมไม่พอต้นนะทาไมเป็นไปนเพืเเเ่ความพอใจพอน้อยก็พอ ต้องสอดคล้องกันต้องไปด้วยกันว่ามักน้อยนะดีไม่ใช่มากมากมากมา ก, มากพออ้าวถ้ามากมากพอคุณก็มากไปเรื่อยๆมากไปไม่รู้จักจบบานปลายเป็นปากปากรวยมันก็ไม่มีจบสิมันต้องหาน้อยน้อยจน ก, กระทั่งถึงขีดถึงเขตที่เออศูนย์น้อยจน ก, กระทั่งถึงศูนย์อย่างนี้เป็นต้นอธิบายได้และปฏิบัติได้ด้วย น, นอกจากนั้นก็ไปอีกวิเบกะ เป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อความไม่คุน้นคิดด้วยหมู่คณะสังคณิกะอ๋อนี่มีสันโดษแล้วก็มีสังคณิกะด้วยอะอันนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความวิเวกหรอสังคณิก ะ, ะหมูคณะสังคณิกะนี่แหละ คณะที่ว่านี้นี่เป็นความยากมากเลยเพราะว่าคณะเ ข, เขาเอาเป็นหมู่ของบุคคลตัวตนเราเขาคณะของตัวตนคนเป็นหมู่เป็นคณะของตัวตนคนก็อีกแหละเมือนกับสัตว์นั่นแหละเป็นสัตว์ในรจานที่เป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่นะมันไม่ใช่หมูม้ากาไก่อย่างนั้นในรจานสัตว์หรือแม้แต่คณะ ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคณะของตัว ต, วตนบุคคลเราเขาหนึ่งหนึ่งคนสองคนหน้าคนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่มันคณะของกองกิเลสมันคณะของนามธรรมคลุกคลีได้กองกิเลสคุกคีได้หมู่คณะคณะกองคณะที่มันรวมกันเป็นคณะหรืออสังสคระไม่เขาจะเขาแปลว่าเป็น ค, คลุกครีโดยคณะเหมือนกันคลุกคลีได้หมู่เหมือนกันอสังสาระซึ่งแปลว่าสวรรค์ ไม่คุกคลีได้อารมณ์สวรรค์อสังสักดิอสังคณิกะก็ไม่คุกคลีได้เ อ, เ อ, เอที่จิตกิเลสที่มานมาเกาะเกี่ยวกันอยู่คณะเนี่ยมาเกาะมาเกี่ยวมากลุ่มกันอยู่โดยเฉพาะเป็นตัวตนบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่เลยจิตคณะของจิตจิตมาเกาะเกี่ยวมาเกะกลุ่มกันอยู่จึติดกันอยู่นั่นเองคณะเนี่ยอสังศักดิ์ถ้เป็นไปเพื่อความเกาะกลุ่มยึด เกี่ยวเกาะกันอยู่ของจิตของกิเลสยึดกันอยู่เนียวแน่นกันอยู่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความคลายความหนายความสูญความหมดไปนี่คือนัยยะที่ลึกซึ้งสําคัญนะเป็นไปเพราะความเลี่ยงยากเป็นไปเพราะความเกลียดคร้านก่อนนะเป็นไปเพราะความเกลียดคร้านโกสัชชะเออันนี้มันก็ต่างกันกับโคตมีสู นา nah, โคตามีสูตรนั้นมันฮะตรงกันข้ามขอโคตามีสูตรไม่ไม่ไม่มีอันนี้หรอกนาเป็นไปเพื่อความอ๋อใช่ตรงข้ามขี้เกียจโกงข้ามความพระเพียงปารลความเพียงวิริยารำพะน่าเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากตัวสุดท้ายสุประหรือเลี้ยงง่ายสุประกระอสุประะนา ทุบไม่ใช่คออะไรไม่ใช่สุภะทุบระเป็นการเลี้ยงยากถ้าสุภะเป็นการเลี้ยงง่ายอันนี้ทั้งเจ็ดนาะให้มันจบไปก่อนอาตมาเจ ต, ตนาจะไม่อธิบายตัวนี้เนี่ทีนี้มาสู่ที่อาตมาเกินแล้วว่าเราพูดถึงเรื่องของข้อหกที่อาตมาแจกไปตั้งแต่ว่าผู้ที่เข้าใจหรือว่าเข้านิโรธจะรู้จักนิโรธยังไม่สมบูรณ์นั่นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จัก นิโรธหลงตนข้อแรกเลย ว, ว่ามีนิโรธแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่นิโรธของพระเจา้าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนี้จึงไม่รู้จะพูดยังไงเออเพราะเขาจะไม่รู้จักนิโรธเขาก็เข้าใจนิโรธอย่างใดเขาก็สัญญาอย่างนั้นใช่ไหมเขาเข้าใจว่านี่เขาก็กําหนดหมายเอาว่านิโรธต้องเป็นอย่างนี้เช่นว่านิโรธก็คือจะต้อง หลับดับปีเขาไปไม่รู้เรื่องอะไรเล ย, เลยในในภพในภวังนั่นคือสมาธิด้วยจิตอธิจิตดับปีนั่นคือนี่ว่าเขาก็สัญญาอย่างนั้นกนนาําหนดหมายเขาก็ทําอย่างนั้นจนสําเร็จก็เป็นมโนมยอัตาชนิดหนึ่งเป็นสุปกินนะหะเรียกเป็นพรหมด้วยหรือเรียกเป็นเทพเทพชั้นสูงนะสุปกินานาหะะชั้นที่เท่าไรไม่รู้เขานับไว้ในพรหมเนี่ยชั้นที่สูงนะ มมีทั้งยี่สิบชั้นนะพระคัมภีสัญญาเขาก็ได้ ก, กายของความเป็นพรหมคือได้ความดำความมืดแล้วก็ถือว่าเป็นโชคสุภะโชคของเราแล้วเป็นนาพึงใจในหน้าพึงใจสุภะในหน้าพึงใ จ, งใจเขาก็ได้อนั้นมาก็เป็นความสาเร็จของเขาเขาก็กำหนดถึงว่านี้นิโรธฉันก็ได้นิโรธแล้วจึงเรียกว่ากายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกัน เขาได้ความดับคือนิโรธเหมือนกันแต่ดับอย่างนี้ซึ่งก็ไปคลายกับข้อที่หนึ่งกายต่างกันเพราะสัญญาคุณต่างกันสัญญาของเราสมาธินั้นนิโรธของเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในภพดำมืดแต่นิโรธของเราคือกิเลสตัวกิเลสจริงๆเลยมีจักสุมีปัญญามีญาณ มีวิชามีแสงสว่างรู้จักสภาพที่กระทบสัมผัสนั้นแล้วเกิดสภาพนั้นเกิดความเป็นสัตว์โอปปปาติกะอันนั้นตั้งแต่สัตว์อบายที่เราเริ่มต้นจะปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้จักตัวสัตว์อบายนั้นอยู่ในใ จ, ใจของเรามันเกิดตัวจริงเป็นสักกายะแล้วก็ดับสั ก, กายะนี่ลงลึกทำให้มัน จางคลายไปจกนกระั่งหมดอาสวะสิ้นเป็นตัวตนอัตตาตัวตนสักกายะแล้วก็ไปถึงอาสวะตัวตนจนหมดอาสวะหมดตัวตนสิ้นเกลี้ยงนิโรธดับตัวนี้นิโรธนี้อย่างสว่างสว่างไม่ได้ดับมืดมไม่ได้มีภาวะพบไม่ได้มีภาวะสภาวะองค์ประชุมของจิตแล้วก็ได้ความมืดี่องค์ประชุมของจิตดับนะกายอดับองค์ประชุมของจิตนี่หมดสภาวะของความเป็นศัตว์นี่เลย แล้วก็สัมผัสแต่ต้องตาหูจมูกลิ้นกายมีรู ป, ปรกายนามกายครบในองค์ประชุมของกายครบอยู่เลยเพราะความเป็นกายก็กขาบอกว่าอย่างเดียวกันในข้อที่สี่เนี่ยก็คืออย่างเดียวกันคือสัญญาที่ว่านิโรธอย่างเดียวกันสมาธิติก็ได้นิโรธอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันคือความดับนิโรธคือความดับ แต่ดับตามสัญญาของผู้ที่มิจฉาทิฏฐิก็ได้ดับเหมือนกันมิจฉาทิฏฐิก็ดับของพุทธที่สมาธิก็ดับอย่างเดียวกันกายอย่างเดียวกันคือดับเหมือนกันแต่ลึกๆจะเป็นข้อนหนึ่งดับต่างกันะสัญญาต่างกันกายต่างกันเพราะนั้น สรุปและข้อสี่กับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือมิจฉาทิฐิกับสมาธิทิฐิเนี่ยถ้าสัญญาต่างกันทิฐิต่างกันที่เป็นประธานต่างกันคุณก็ไปควานหาไปศึกษาสัญญากำหนดหมายคุณก็ไปสร้างได้ตามที่คุณสัญญาก็ต่างกันทั้งกายต่างกันทังสัญญาและสุดท้ายเป็นไงผลสำเร็จ อย่างเดียวกันกลายอย่างเดียวกั น, นแม้นิโรธสัญญากำหนดหมายวันนิโรธก็อย่างเดียวกันแต่มันกลายเป็นคนนึงกลายต่างกันสัญญาต่างกันเพราะสัญญาต่างกันกลายจึงได้ต่างกันและคนก็ได้สมใจเป็นสุภะกานทั้งคู่เป็นโชคของเราทั้งคู่ เป็นสิ่งที่น่าพึงใจขังตนทั้งคู่สุภะแต่สุภะอันหนึ่งได้สุภะกินนาหะแต่ของพระเจ้านั้นหมดความเป็นความดำความมืดได้จักสุได้ปัญญาได้ญาณได้วิชาได้แสงสว่างได้คนต่างกันต่างคนหนึ่งได้ผลต่างกัน แต่ได้นิโรธอย่างเดียวกันเพราะที่หมายนิโรธเหมือนกันและก็ประสบที่สุดแต่ความเป็นนิโรธเหมือนกันเพราะข้อสี่นี้อาตมาถึงบอกว่าวิญญาณทิฏฐิข้อสี่หรือสัตวาขอ้อสีนีอธิบายยากมากเลยมันจับสอนถ้าข้อสามเนี่ย น, น ะ, นะกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกันได้แก่อภัสราพรม คือสว่างสวา่างเหมือนกันอากาซ่าสวา่างเหมือนกันแต่สว่างคนนี้สว่างอยู่ในพบอยู่ในที่พบเขาก็สว่างเขาก็ได้กายสว่างแต่กายสว่างอยู่ในพบกับกายสว่างดื่มตามันเหมือนกันที่ไหนแต่ต่างคนต่างสัญญาว่าสว่างเหมือนกันสวา่างเหมือนกันอันนี้ก็คือดับเหมือนกันนิโรดดับความดับ แต่ดับอันหนึ่งไปได้ดับอย่างมืดมืดกินนะฮะส่วนในนี้เนี่ยกายอย่างเดียวกันคือสว่างเหมือนกันผลได้ก็ได้ต่างกันลนะ้วได้ต่างกันสัญญาว่าสว่างเหมือนกันนะ่ะต่อให้คุณอยู่ในพวกคุณจะสว่างไม่เท่ากันเลยคนที่หลับตาสว่างนี่ก็ยังไม่เท่ากันเลยแต่สว่างโลกิยากรโลกุตระนั้นชัดเลยนะ สว่างคนหนึ่งอะสว่างอยู่ในปั่นอากาซานัญญายะนะสว่างข้างในสว่างไ้ไม่มีที่สิ้นสุดออกมาจากข้างนอกก็ออกมาจากพบนั้นมาสว่างอันนี้ไม่เหมือนกันหรอกสว่างของเขาอันนี้บอกไม่ใช่สว่างของเขาจะต้องตับตาอันนี้มันสว่างโลกๆอเขาก็ว่างนันนะ แต่ของสว่างอุจจานั้นลึกไปกว่านั้นก็คือสว่างอย่างมีจักรสุมีปัญญามีญาณมีวิชามีสว่างอาโลกามีความสว่างสว่างยังไม่ไม่ใช่อันนั้นแล้วสว่างเป็นไนยะของปัญญาอันยิ่งของญาณของวิชาและมีดวงตามีใช้ตาอยู่เป็นจักรคุมา จักขุมมาปรินิพุทโพติจักขุมมาปรินิพุทโพติพระบาลีทจะใช้คำว่าอย่างนั้นนิพานอย่างลืมลืมตาจักขุมมาปรินิพุทโพติน่ะอาตมาพยายามเรียบเรียงคำลองฟังคำที่อาตมาเรียบเรียงดูนิดหนึ่งเท่าที่เวลามันมีตอนนี้ก็เลืออีกนิดหนึ่ง ที่ว่าเขากายผู้ที่ยังมีกายที่ไม่สมาธิทิฐิเนี่ยเพราะความเป็นนิโรธของคนผู้นี้ยังมิชาทิฏฐิอยู่จึงได้นิโรธที่ยังสัญญาวิป ร, ราสอยู่เช่นนิโรธที่มีองค์ประชุมนิโรธที่มีองค์ประชุม นิโรธที่มีองค์ประชุมคือกายนี่แหละที่ประชุมเข้าไปอยู่ภายในใจนะนิโรธเขาประชุมองค์ประชุมอยู่ในกายเป็นกายองค์ประชุมอยู่ในกายอยู่ในองค์ประชุมเรียกว่าองค์ประชุมกายเรียกว่าองค์ประชุมนิโรธที่มีองค์ประชุมคือมีกายที่ประชุมเข้าไปอยู่ในใจนี่เป็นความมืดดำกินหะหรือเป like ็นความสว่างใสบางคนก็ไปหลงนิมัเชนนิโรธนะบอกว่าคือนิพานของเขาใสสว่าง จริงๆนิโรดนิพพานเขาใช้แทนกันได้แต่ที่นนี้เขาพวกนี้เขาไม่ได้คํานิโรดนิโรบแปลว่าดับนี่เขาไม่ดับนี่เขาสว่างแต่เขาก็ถือว่าเขาดับกิเลสเหมือนกันผู้ที่ยังมิชาติถิเนี่ยก็ไปหลงอยู่กันว่าไดแดนนิพพานไดแดนพรหมนะถ้าจะดูตรวหนังสือก็ไปที่ข้อหกนะสองเท่านั้นไปที่ข้อหกนะเป็นแดนนิพพานหรือแดนพรหม ซึ่งเป็นองค์ประชุมในจิตใจไม่ใช่เอาร่างกายนี่ไม่ได้หมายเอาร่างกายหรอกนะหมายถึงองค์ประชุมในจิตใจเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้กายเรียนกายยังไม่บริบูรณ์ไม่ได้เรียนรู้กายที่ชื่อว่าภายนอกกระทั่งถึงกายที่ชื่อว่าภายในองค์ประชุมของทางจิตเนี่ย ทั้งภายนอกที่สัมผัสภายนอกอัจตังอรูปสั้นยีเอโกพหิธารูปานิปัสสติในพระบดีบอกอย่งในวิโมกข้อที่สองทั้งภายในและภายนอกกาหนดหมายได้รู้หมดเลยมีเหตุปัจจัยสัมผัสอยู่ด้วยมีปัสติด้วยเมื่อเฉว่ารู้นอกรู้ในด้วยไม่มีปัจจักปัจจักทั้งเวทนาที่เป็นในจิตทั้งในทรงไว ท, ทั้งข้างในจิตที่ทรงไวก็สัมผัส ม, สมีนามากาย หรือมีนามมารูปือถูกรู้เวทนานี่มันมีอารมอย่างไงมันถูกรูปมันก็เป็นนามมารูปและความเป็นอารมณ์ก็คือกายองค์ประชุมของความเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อย่างไรสัมผัสรู้สภาพนั้นทัดเจนนะเป็นความสว่างใสบางทีก็พวกที่ยึดผิดก็เป็นหลงสว่างเป็นนิพพานพวกที่ยึดเอาความมืดดำ กับพวกหนึ่งหลงกันว่าได้แดนนิพาแดนพรมซึ่งเป็นองค์ประชุมในจิตใจเพราะไม่ได้เรียนรู้กายที่ชื่อว่าภายนอกและที่กายที่ชื่อว่าภายในและสัญญาที่กำหนดหมายรู้รูปประกายและนามกายทั้งที่เป็นองค์ประชุมอันมีสัมผัสทั้งที่รู ป, ปรกายทั้งที่มีเป็นองค์ประชุมอันมีสัมผัสพร้อมด้วย พร้อมเลยนะหมดเลยทั้งวิญญาณหกอายตนะหกปัสสะหกเวทนาหกตนาหกอย่างครบถ้วนตามคำสอนอันเป็นพระวจนะของพระพุทธเจ้านะผู้อยากจะศึกษายืนยันหลักฐานก็ไปดูพระตบปิฎกเล่มสิบหกก็จะข้อสิบถึงข้อสิบห้าทีเดียวเพราะ ง, งาั้นผู้ใดที่ไม่รู้กายอย่างกล่าวนี้จึงไม่สามารถสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกาย พิโมกที่อาตมากล่าวถึงแล้วเมื่อกี้นี้ว่าจะต้องมีความรู้ ร, ร, ร, ร, รูปีรูปานิปัสสติรู้จักอจตังอรูปสั้นยีเอโกภะคิทารูปานิปัสสติขอ้อสองขอ้อสามแม้แต่ที่สุดถึงขั้นได้สภาพที่ควรได้สุพันเตวะอธิมุตโตโหติไล่ขึ้นไปตามลำดับก็ตามนะเพราะนั้นผู้ที่ ไม่สามารถรู้วิโมกข์แปลสรไฟวิโมกข์แปด้วยกายสเบตีดลบดอยู่ย่อมไม่เห็นปัสติปัสตโตนิไม่เห็นด้วยปัญญาอันชอบยิ่งนะย่อมไม่เห็นปัญญาด้วยปัญญาอันชอบยิ่งนะปัญญาอชอบยิ่งนี่ท่านใช้คำว่า ส, ส ม, มัปปัญญานะจึงไม่สามารถเห็นปัจโตแจ้งสัจจิเิโรต ไม่สามารถเห็นแจ้งในความเป็นนิโรธความเป็นวิมุตตซึ่งเป็นขั้นสิ้นอาสวะได้ไม่สามารถเห็นอันนี้ได้นะอันนี้พระไตรปิกเริ 36, ่มสามสิบหก่ในข้อร้อยสี่สิบเก้าหรือข้อร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้ก็คือกล่าวถึงความความเป็นการสัมผัสดิโมกแปดด้วยกายนะในพระรปิฎเร่มสามสิบกนี้ นะเพราะไม่มีปัญญาหรือแม้แค่ไม่มีสัญญานะในวันแรกถึงจะมีก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกมีสัญญาก็ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกเป็นสัญญาวิปลาสบางคนใช้ไม่เป็นเลยสัญญาแต่เขาจริงๆสัจธรรมว่ามันทํางานนะสัญญามันกําหนดหมายรู้แต่คนนี้ไม่สามารถกําหนดหมายเป็นกําหนดสัญญาเครื่องหมายไม่เป็น เพราะเขาไม่แปลสัญญาว่าการกําหนดหมายเขาไปแปลสติว่าการกําหนดหมายรู้นี่มีผู้เอเมาแย่งอัตมาใครสอนว่าสัญญาเป็นการกําหนดหมายรู้อัตมาของงงเหมือนกันเอเรียนมาขนาดนี้มีความรู้อัตมาก็าว่ามีปัญญามีปัญญาภาพรู้อะไรแต่ทั้งนี้ทําไมถึกอันนี้มันแค่ตึ้น ต, นต้นนะสัญญาเครื่องําหนดหมายรู้นี่มันความหมายตึ้นตื้นไม่ได้ลึกซึ้งอะไร <c oughs> นะเพราะกำหนดนะไม่มีสัญญาถึงจะมีก็กำหนดไม่ถูกที่จะกำหนดหมายรู้ความเป็นสัตววาก้าหรือวิญญาณทิฏฐิเจนะ็ดก็กำหนดหมายรู้สัตววาก้าหรือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดก็กำหนดหมายไม่ได้หรือแม้จะกำหนดหมายรู้ได้หรือแม้จะกำหนดหมายรู้ได้ก็เป็นสัญญาวิปลาสแน่นอน จึงหลงผิดอสัญญีสัตว่าเป็นสัญญาเวทิจิตานิโรธจึงไปยึดเอาอสัญญีสัตว์คือดับจิตตับสัญญาดับเวทนานะเขาแปลว่าสัสญญาเวทิจิตานิโรธแปลว่าดับสัญญาดับเวทนาด้วยอาตมาก็เห็นแปลกันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะดังนั้นนิโรธที่ได้ก็ยังมีกายที่มืดดำคือกินนะฮะ ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเพราะไปดับสัญญาให้ตนกลายเป็นอสัญญีสัตว์ยังเป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นน่ะสัตว์จางมืดดำจึงไม่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นผลได้ความว่างแบบไหนกันแน่จริงอยู่ในขณะนั้นอาจจะว่างจากกิเลสปรุงแต่งอยู่ณบัดเดี๋ยวนั้นในขณะนั้นบัดเดี๋ยวนั้นอาจจะว่างจากกิเลสอยู่เพราะมันมืดดำปี้ไม่รู้สึกอะไร มันก็เหมือนกันเราพักยกมันก็หรือไม่เราไม่มีในดัด บ, บัตรนั้นนะบัตรที่ทํานิโรธสมาบัตรที่ไม่ใช่พุทธนะเข้าไปอยู่ในผวังแล้วก็ดับสัญญาดับเวทนาอยู่เนี่ย น, นะในบัตรนั้นแหละ เ, าาะเรียกว่าสัมปติภาษาบาลีสเลวสัมปติคือเวลานั้นบัตรเดียวนั้นเลยเพราะได้ถึงพร้อมกลายเป็นสําเร็จเขาได้ถึงแล้วนะนะเข้าถึงแล้วนะเข้าถึงสภาพนิโรธนะสัมปชติ บาลีวสัพพชติเข้าไปถึงไปสำเร็จเดยสำเร็จสาเร็จความนิโรธแต่นิโรธนี่เป็นนิโรธความมืดดำเป็นกินนะหะก็ถึงพร้อมในความมืดดำนั้นหรือบางทิฏฐิยึดความสว่างใสอย่างที่พูดแล้วอยู่ในผวังเพื่อพัสราก็เป็นมิมุตและเป็นนิโรธก็มีเอาเอาใส่ก็มีจึงยังมีการเกี่ยวเนื่องกันเรียกว่าสัมพันธะ การผูกพันเรียกว่าสัมพันธะซึ่งเป็นการสัมผัสการถูกต้องคือผัสสัมผัสสัพท์หรือสัมปุสติสัมปุสนาเนี่ยภาษาบาลีท่านมีหลายคำการสัมผัสหรือการถูกต้องแต่ต้องการแต่ต้องภาวะนั้นๆอยู่ไม่ได้ทิ้งภาวะนั้นๆยังมีถึงนั้นอยังสัมผัสสันเกี่ยวเนื่องกันอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความมืดดำนั้นหรือความสว่างไสว ความสว่างใสที่อยู่ในภวังนั้นอยู่คืออภัสรายังอยู่อย่างงั้นยังไม่เข้าใจความเป็นกายที่ชื่อว่าเทพพระสุปกินทาพราะพนิโรธดำนิโรธมืดยังไม่เข้าใจอันนี้หรือยังไม่เข้าใจความเป็นกายที่ชื่อว่าเทพอภัสราขยายความอีกทีหนึ่งเขาจะได้เขาจะกําหนดหมายคนที่ยุคนี้จงถ้าเป็น การได้เขาจะต้องได้สภาวะนี้จริงๆเลยเป็นสภาวะที่มีจิตสัมผัสในพบจริงๆถ้าพบเป็นจิตวิญญาณมืดก็มืดไปเลยไม่รับรู้สว่างก็สว่างไปเลยรับรู้นะสว่างนี่รับรู้แต่ก็เข้ามาเป็นแดนนิพพานเพราะเขานิวันนี่คือแดนนิพพานบางทีเขาเรียกอายิยธรรมนิพพานด้วยแดนนิพพานเนี่ยสว่างใส อยู่เลยและมีตัวตนมีรูปร่างในแดนนิพพานเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเขาก็ยังมีตัวตนมีรูปร่างถ้าเป็นเรียกว่าเทวดาไอ้ใส่เนี่คือสภาวะอย่างหนึ่งถ้าเทวดามีรูปร่างนะพนี้แม่ทัพพุที่ไปอยู่ในภพภูมิแดนอรหันต แดนพระพุทธเจ้ามีรูปร่างทัวโตโอ้สวยใสมากเลยมีรูปรางสวยใสน ะ, ะก็เรามีพวกเราชาวโซ่นคนหนึ่งต้อมาตั้งชื่อ้ว่าสวยใสตอนนี้ก็ก็เลยมาขอเพิ่มาเป็นขอชื่อฟ้าสวยใสแล้วกันก็เอาตกลงชื่อฟ้าสวยใสมไม่เอาตัวเข้าสวยใส อัฟซาวยสัยก็ถูกต้องก็ดีแล้วเพราะว่าคนที่ยึดถืออย่างนี้เขาก็จะได้อย่างนี้สัญญาอย่างนี้กำหนดมาอย่างนี้ทำจนสำเร็จอย่างนี้เป็นมนโนมยะอัตตาอัตตาที่สำเร็จได้ด้วยจิตที่กระทำจนสำเร็จเพราะไม่ได้สัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายสำเร็จอรดิยบทอยู่ทั้งอาสวะเขาพูนั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นเห็นด้วยปัญญา อัตถวิโมกเคกาเยนาผุดิตวาวิหฤติปัญญายจจัดสัทสวาอาสวะปริขีนาโหตินี่คือพระบรบาลีที่บอกว่าสะพัดวิโมกแปดด้วยกายสะเปิดอริยบทอยู่ทั้งอาสวะของปูนั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญานี่แหละแปลมาจากพระบาลีอันนี้ จึงไม่เป็นการสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัญญาเวทีเจตินิโรธที่ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้มีมีสัญญาเวทีเจตนิโรธนี่ที่เป็นความดับเทเรียว่านิโรธชนิดที่มีความว่างไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับความว่างชนิดที่มีความว่างคนดําก็สัมผัสอยู่กับความดํามืดแล้วมนรู้เรื่องอะไรคนสว่างเออสัมผัสเอยู่กับความสว่างสว่างพมิตร อนันโตอตาอนันตาอนันโตอากาโซติโอ้ว่างมาไม่ที่สุดเลยนะว่างโลงไปไกลลิปลับเลยสว่างใสว่างโลงโปร่งโอ้สบายดีเด้นะเป็นความว่างอันเป็นปรมาตธรรมเขาไม่ได้สัมผัสความดับชนิดที่มีความว่างอันเป็นปรมาตธรรมของโลกุตระโลกุตระภูมิขั้นที่เก้าอย่างแท้จริง เขาจะไม่ได้สัมผัสอันนี้อย่างแท้จริงคําตอบที่พระเจ้าทรงรับรองนะคำตอบของพระเจ้าทรงรับรองว่าไม่ผิดแท้คําตอบที่พระเจ้าท่านตรัสว่าไม่ผิดแท้ในเรื่องของภาวะในเรื่องของภาวะของสัญญาเ ว, เวทยิตแตนิโรดนี้เป็นคําตอบอย่างนี้อที่มีผัสสะเนี่ยนะสัมผัสสัมพันธ์ผัสสะกันอยู่เนี่ยเขาสัมผัสความดำมืดเขาก็สัมผัส สัพพะน่ะแต่เขาดับความดำมืดมันซ้อนน่ะเขาสัพพะเขาเกี่ยวข้องเขาเกี่ยวก่ออยู่กันพบกะดับปี้อยู่งั้นนะส่วนคําปัดสว่างเขาก็สัพพะสว่างโดยความว่างว่าสว่างโลกเป็นเป็นเป็นเป็นอากาศนี่แหละอากาศซาเนี่ยอนั้นตอากาศโสติเนี่ยเข้าไปในพวังเพราะเขาถือว่านี่เป็นสภาวะของชั้นสูงของฌานเป็นอรูปฌาน แล้วฌานทางนี้โรคก็เอาสายดับอกินจัญญกคำเนวสัญญานาสัญญาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านี่คืออสัญญีดับสัญญาแต่อันนี้ไม่ดับสัญญาไม่ดับเวทนาเปิดเวทนาเปิดสัญญากำหนดสว่างและจนสว่างสาเร็จเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสอันนี้เป็นคำพูดของ ภ, ภิกษุาาธรรมทินนาที่พูดกับวิสาขาอุบาศกซึ่งเป็นสามีเก่าแต่ ท่านธรรมธินนามาบวชวิสุจน์เป็นพระอาหารหันต์แล้วนะอุบาสกพิจ า, ารกาเขมาคุยมาขอคุยธรรมะถามธรรมะก็มีอันนี้ที่ท่านถามนะวิสาขาอุบาสกถามท่านเตมิทนาถามไล่มาเยอะแล้วอาตมาตัดออกมาตอนนี้ว่าผัสสะเนี่ยนะท่านถามว่าผัสสะเท่าไหร่ ผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นคําถามอย่างนั้นเลยท่านธรรมทินนาภิกษุก็ตอบว่าคัผัสสะสามประการเดี๋ยวค่อยขยายเดี๋ยวอาตมาจะขยายรายละเอียดนี้ผัสสะสามประการตอบว่าผัสสะสามประการคือผัสสะชื่อสุญตตะในสุญญาตาเนี่ย ท่นโบราณอาจารย์ท่านก็แปลพระ ป, รปรีในพระธรอินทกท่าน ก, ก็บอกได้ไวว่ารู้สึกว่าว่างเป็นความรู้สึกว่าว่างพัสสะชื่อว่าอันนิมิตต์อั น, นิมิตรู้สึกว่าไม่มีนิมิตพัสสะที่ชื่อว่าอปปนิหิตต์รู้สึกว่าไม่มีทิฏฐิย่อมถูกต้องหรือสัมผัสนี่แหละถูกต้องนั้นพะัสสะนี่แหละย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้ว ฟังดีๆนะมันอธิบายประมาทพวกนี้มันลึกซึ้งมากแล้วแล้วมิชาทิตฐิกับสมาทิตฐินี่ก็ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างสำคัญมากเลยคำว่าออกแล้วนี่ก็เดี๋ยวเธอเดี๋ยวอธิบายจะอธิบายสู่ฟังย่อมถูกต้องภลิกสู่ผู้ออกแล้วจากสัญญาเ ว, เวทยิตานนโรสมาบัตอันนี้ในพระเถบีโดเรล่ม1สิบสองข้อห้าร้อยสิบนั่นก็คือ แม้จะใช้คำว่ า, อ, sugars, ว ـ, highest, then, าออกแล้วบุตถาเนี่ยจากนิโรธสมาบัติออกแล้วนะใช้คำภาษาว่าออกแล้วจากนิโรธสมาบัติผู้มีสัญญาเวทยิตานิโรธก็ยังมีผัสสะออกจากนิโรธแล้วออกจากนิโรธแล้วนะเดี๋ยวค่อยอธิบายคำว่าออกออกจากที in ่คาว่าพุทถะหรือพุดผุดผุดพุธทิตะพุดบุตถานะวุตไม่ใช่ผุดผุดบุตถะ วุติตวุฒฐานะพวกนี้คําว่าวุฒหุติเนี่ยแต่ว่าออกหรือเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใหม่เรียกว่าวุติตะหรือวุตวุฒหุตโธวุฒหุตฐานะนะผู้มีสัญญาเวทิตาเโรุนี้ก็ยังมีปัจจะคือมีสัมผัสมีการถูกต้องสัมผัสอยู่เป็นแต่ว่าปัจจะนั้นคือรู้สึกว่าว่างปัจจ้านั้นรู้สึกว่ า, วา หรือภัสสะนั่นคือรู้สึกว่าไม่มีนิมิตว่างหรือไม่มีนิมิตอะไรเลยภัสสะนั่นคือรู้สึกว่าไม่มีทิศตั้งนี่แหละคือสามผัสสะที่บอกว่าท่านถามว่าภัสสะนี้มีเท่าไหร่เมื่อสนุนได้สุญิตะออกจากสุญิตะเออไม่เข้าไปออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธคือออกจากนิโรธของพุทธ ขอกำกับเลยว่าสัญญาเวทีนิโรธในโลกของพุทธออกจากนิโรธแล้วเนี่ยมีภาษะอยู่เท่าไหร่กติหรือกติงกติภาษาบาลีว่ากติแปลว่าเท่าไหร่ภาษะมีเท่าไหร่ยีเจยฮาร์มอนียี่จยเฮ้ยเท่าไหร่ฮาร์มอนียี่จยเฮ้ยเท่าไหร่ เติมให้มันสัมผัสไหนก็คือเท่าไหร่ท่านก็บอกมีสามพัรษะนี่มีสามพรรษามีเท่าไห ร, ออ ร, นนรนะ่ออกจากนิโรธแล้วเนี่ยเป็นนิโรธแล้วนะออกจากนิโรธแล้วนะมีพรรษาอยู่เนี่ยเท่าไหร่มีสามคือพรรษะว่างพรรษาไม่มีนิมิตรผรรษะไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีความปรารถนาอะไรอัปนิหิตตานเปแนไรว่าไม่มีที่ตั้งหรือไม่มีความปรารถนา มันชัดเจนยิ่งว่าผู้ออกแล้วจากการเข้านิโรดนี่ออกจากการเข้านิโรดแล้วใช่ั้ยนิโรธสมาบัติคือการเข้าไปสู่สมาบัติหรือการเข้าถึงสมาบัติหรือการบรรลุนิโรธสัมปัตติเข้าถึงหรืออุ ป, ปัตติเข้าถึงตอนนี้เข้าถึงแล้วบรรลุแล้วเป็นสัมปัตต์เปสัมปั น, นะไปแล้วแล้วพ้นไปแล้วนะนะ สมมติกมะไปแล้วพ้นล่วงพ้นไปแล้วลงตัโดโดโดพ้นนิโรธเสร็จไปแล้วทำนิโรธเสร็จไปแล้วผู้ออกแล้วจากการเข้านิโรธนั้นและในคําถามที่วิสาขาอุวาสสถามธรรมทินนาภิกษุณีนั้นก็ถามว่าผัทธะเท่าไหร่ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสาัญญาเวทิจิตนิโรธสมาบัติคําตอบก็คือผัทธะของผู้ออกแล้วชัดๆก็คือออกมาจากภาวะเก่า ออกมาจากภาวะเก่านั้นสู่ภาวะใหม่เช่นออกจากชานเก่าออกจากชานเก่านั้ น, น, นได้แล้วสู่ชานที่สูงขึ้นใหม่นะสูงขึ้นใหม่เลยเอาคำว่าใหม่ใส่เข้าไปอีกนี่อัตมาจะเติมชานเก่านั้นได้แล้วสู่ชานที่สูงขึ้นใหม่หรือล่วงพ้นจากภูมิเก่าสู่ภูมิใหม่ ที่สูงขึ้นเกิดขึ้นใหม่หรือออกจากอันนี้แล้วเกิดก็ออกจากเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันมันเกิดขึ้นหรือมันออกจากอันนี้ไปเนี่ยสำหรับความหมายชั้นนี้ก็คือออกจากภูมิขั้นเนวสัญญานาสัญญาญตนภูมิมาสู่ภูมิสัญญาเวทิตนินรธได้แล้วนั่นเองในตัวหนังสือยังไม่มีหรอกว่าอันนี้เขียนเติมใหม่ คุณควานหาเขาไม่เจอเพราะยังไม่ได้คุณถายนะยังไม่ได้เติมนี้แก้ใหม่วันนี้อุ่นๆเอาออกมาจากพิณออกมาใหม่ๆนะยังไม่ได้คุณถายนะัในอันนี้หมายถึงก อ, อกจากร่วงพน้นหรือออกจากภูมิเก่ามาสู่ภูมิใหมนะ่ออกจากภูมิเนวัตสัญญานาสัญญาจตนาภูมิมาสู่สัญญาเวทิจเตนโรธ คำว่าออกแล้วที่บาลีว่าพุทธิตะหรือวุฒฐานะเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับศาสนาพุทธนั้นเป็นเรื่องโลกุตระมันหมายความว่าเป็นการเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนสถานะหรือการออกมาจากฐานะเดิมได้แล้วมันออกแล้วมันได้แล้วเกิดขึ้นใหม่แล้ว ซึ่งสอดคล้องหรือเป็นไวยพจน์กับคำว่าหลุดพ้นออกมาแล้วอันนี้ออกมาแล้วหลุดพ้นออกมาแล้วมันเป็นไวยพจน์กันมันเป็นคำที่ใช้แทนอธิบายกันแทนได้เรียกกันแทนกันได้แต่ผู้ที่ยังมิฉาทิฐิอยู่ก็จะหมายถึงการออกจากการออกจากี่ผู้ที่มิฉาทิฐิอยู่ก็หมายถึงการออกจากนี่คือออกที่เป็นเรื่องของการออกจากอีกแบบหนึ่ง ที่ต่างไปจากแบบพุทธที่สมาธิิหมายถึงออกจากยังไงเขาก็จะออกจากผวังออกจากการดับมืดมาออกมาสู่ปกติธรรมดาคนออกมาจากหรือแม้แต่คนจะออกเข้าไปสู่ความสว่างอภัสราเขาก็ออกมาสู่ข้างนอกโลกความเป็นธรรมดากับปกติเขาก็ไม่ได้อันนั้นอยู่ความมืดเาก็ไม่ได้ ความสว่างนั้นก็ไม่ไดับเครื่องออกมาเป็นอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นได้นิโรดนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาเข้าไปอยู่มืดดูทุกสว่างแต่ความดับนี้มีผัสสะหกมีวิญญาณหกมีตัณหาหกดับมันอยู่ตรงเนี้สัมผัดแล้วก็มีวิธีการดับกาจัดตัวตนของกิเลสจนหมดเกลี้ยงหมดแล้วก็เป็นนิโรดดับสนิท ดับแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละก็มีความว่างทั้งสามขอไปมีปฏิสัพททั้งสามหนึ่งสุญญตัดผัดโซ่รู้สึกว่าว่างท่านแปลกํากับเป็นภาษาไทยมารู้สึกว่ า, วาก็จะมีความรู้สึกมีอารมณ์รู้สึกความรู้สึกนี้คือเวทนาว่างอารมณ์ว่างความรู้สึกว่าสัญญตัอยู่ตลอดเวลามีปัิสสองไม่มีนิมิต นิมิตนั้นคือเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่เราไปหลงในนิมิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิมิตอะไรที่เราไปหลงผิดหมดนิมิตนี้เลยอันนิมิตเพราะเครื่องหมายที่ยังเหลือเศษเหลือส่วนอักิณจัญญามีอะไรแม่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งที่ยังเหลือที่จะไม่ให้มีก็ไม่มีแล้วนิมิตนั้นเครื่องหมายนั้นหมดแล้วศูนย์จริงๆเลยว่างจากหรือความไม่รู้ในวัสัญญานาสัญญายตนะ ยังรูก็ยังไม่โสนไม่รู้จะว่ามันรู้ก็ยังไม่รู้นะ่ะมันยังอ ม, มันยังไม่รู้มันยังติดยดนิดหนึ่งยิ่งกวหางช้างติดผุยกานะแต่หางช้างมันมีนิดต่างที่อาตรย์มาแสดงท่าทีนัดจากรีตาวาทิตะเมื่อกี้หรอกเมื่อกี้ครบตั้งนัดจากรีตาวาทิตะนะแสดงทั้งท่าทางทั้งสำเนียงเสียงทั้งภาษานิดน่ะนะ มันไม่มีแล้วนิดหนึ่งน้อยหนึ่งที่ไม่รู้ก็ไม่มีพ้นในวัฏญาานาสัญญายตนะเป็นความว่างที่เป็นว่างอย่างศูนย์เหมือนกันเพราะทั้งหมดนี่มันว่างทั้งนั้นเว่างจากมันว่างรู้สึกว่างสองว่างจากนิมิสามว่างจากความตั้งอยู่อะไรละให้ตั้งอยู่อะไรไม่ให้ตั้งอยู่หรือปรารถนาอะไรละปรารถนาปรารถนาโลกีปรารถนา แต่ปรัชนาโลกุตระได้โลคุตระจบมันก็จบแล้วดับแล้วว่างแล้วความปรัชนานั้นเป็นวิภาวะวิภาวะจัญหาแล้วหมดพบหมดชาติแล้วเพราะฉะนั้นอภนิมิตก็คือภัทธะความไม่มีนิมิตพัทธะความไม่มีทิ่ตั้งไม่มีความปรารถนาปรัชนานิพผ่านได้หมดแล้วไม่ต้องตั้งอีกไม่ต้องมีอีกว่างแล้วจากความปรัชนา ที่ปรารถนาจบแล้วตรวจสอบมาแล้วอากิจัญญะไม่มีนิมิตอะไรอีกแล้วภัสษาอย่เงี้ยผู้นี้คือนิโรธสัญญาเวทยิทยตนิโรธซึ่งได้ทวนแล้วทวนอีกฌานฐานฌานคืออุเบกขาว่างกลางเฉยเฉยจากอารมณ์เฉยจากเวทนาที่สุขทุกโลกีเคหสิตาเวทนา แล้วทำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกซ้าอีกซ้าอีกทวนอีกอนุรักษณาประทานสะสมผลให้จิตนั้นมั่นคงถาวรแน่นอนไม่เคลื่อนคลายไม่เปลี่ยนแปลงจนสำเร็จก็คือสาเร็จสัญญาเวทิเจริที่ทวนทั้งรูปประฌานและอรูปฌานหรืออนุ ป, ปพภวิหาร9ก้าแล้วก็ถึงสัญญาเวทิเจริถึงสัญญาเวทิเจริ ทุกทีไปด้วยวิโมกแปนั่นเองวิโมกแปดนี่คือการต้องสัมผัสด้วยกายทั้งหมดทั้งรูปกายนามกายครบครันหมดเลยไม่ใช่มีแต่นามกายมีรูปกายในรูปกายนั่นจะต้องรวมเพราะมีภัสสะหกมีอายตนะหกมีวิญญาณหกมีตัณหาหก ตาหูจมูกริ้งกายนั้นครบหมดทั้งตัณหาหกตาก็อยู่หูก็อยู่จมูกริ้งกายอยู่แต่เป็นวิภพวัตตตัณหาแล้วเป็นตัณหาที่ไม่มีพบมีชาติแล้วเพราะฉะนผู้เข้าใจฟังอัตมาว่าหมดแล้วตัณหาไม่มีตัณหาเป็นวิภวพวัตต่ภพตัณหาแล้วงงไหมผู้หมดตัณหาแต่ยังมีตัณหางงรึเปล่า พยัญชนะสื่อเราเข้าใจแลละสภาวะมันไม่มีเพราะนั่นคาว่าความมีและความไม่มีนี่สับสนมากเลยถ้าคนไม่ชัดเจนถ้าคนชัดเจนเราจะบอกความมีแลว ม, มีหมดแล้วสมุทรไทยนี่คือโลกนีโรดอาตมาใช้เวลาสักเลยเข้าไปหลายทีมันแหมมจะไม่จบก็ไม่ยอมเพรารู้อยู่ว่ามันควรจะต้องจบเนาะ จะจบไม่ใช่จบเราจบวัดวัดอันนี้อยากจะให้มันครบๆมันยังอจะค้างแต่ไปคราวหน้าก็จะต้องทว น, นะต้องทวนต้องอะไรกันอีกอธตรมจะซ้ํำซากอยู่ในเรื่องรายละเอียดลึกซึ้งพวกนี้อยู่ตอนนี้อยู่อีกมากคนนั้นในที่เข้าใจไปได้เรื่อยๆลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆก็ดีเจริญในธรรมคนไหนที่บอกว่าฟังไม่ไหวแล้วภาคเพลินหน่อยถ้าสนใจส่วนคนที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง นอกจากไม่รู้เรื่องนละ้มันจะมืดมันจะน่าเบื่อไปเลยแล้วก็เห็นใจเหมือนกันก็ขออไพรเพราะตอนนี้อาตมาตจะต้องอธิบายความลึกซึ้งดังกล่าวแล้วนะอ่ะเอาละอาตมาอธิบายใช้เวลาเกินเข้าไปผู้ที่ส่สงประเด็นมาก็ยังน้อยอาตมาตก็เลยถือโอกาสพูดยาวไปหน่อยนะประเด็นส่งเข้ามามีอสองสามแผ่นเดงสี่ห้าแผ่นนะอ่ะบอกอีกทีหนึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่ง ประเด็นเข้ามานะใครจะส่งมาก็เติมมาเลยถ้าไม่เติมอาตมามีปัญหาหรอกอาตมามีคําถามน้อยตอบยาวมีคําถามมากตอบสั้นไม่อยากนะตอบยาวได้อาตมาไม่ได้ยาวยาวเข้าเรื่องนะอาตมาทําเป็นเล่นไปอาตมาไม่ใช่ยายนามต้มทุ่งผับุงโรงเหลงหลอกอ้าวเจ้าที่นึงอ้าบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเราจะบอกเบอร์ไม่บอก โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์2หมายเลขที่จะส่งประเด็นเข้ามาคือ0885859117กับ0885859118สองหมายเลขเอาทวนอีกทีหนึ่ง0885859117กับ088 ห้าแปดห้เาเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะอ้าวทีนี้ก็มาตอบที่มีบ้างแล้วสี่ห้าเจ้านะคำถามแรกนี้บอกว่ า, นาในรายการเอื้อไออุ่นที่บันราชนะว่าอาตมานี่ได้พูดถึงเรื่องเพลงดิฉันมีความคิดว่า พวกเราชาวกองทัพธรรมในเรียกชาวโศกได้ออกไปทำงานสู่สังคมวงกว้างน่าจะมีเพลงประจำของชาวกองทัพธรรมสักหนึ่งเพลงก็คือเพลงกองทัพพุทธธรรมเพลงนี้เนื้อร้องทุกคำความได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในแสดงว่ารู้จักเพลงกองทัพพุทธธรรมนันเนี่ยได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ถ้าทำได้เป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นสังคมประเทศชาติก็จะปลอยสุขสงบร่มเย็นชาวกองทัพธรรมและชาวสงฆน่าจะร้องหรือจำเนื้อได้เหมือนคนไทยจำหรือร้องเพลงชาติได้นะครับเอางั้นเลยเ อ, อได้เอางั้นก็ได้คผู้ใดจะเอาก็ไม่ว่ากันเพลงกองทัพพุทธธรรมนี่ก็คงจะเคยได้ยินกันบ้างนะ นาจะเอาถึงขนาดเป็นเพลงชาติเคารพก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหลอกเนาะไม่ต้องถึงขนาดเคารพไม่ต้องอะไรหรอกแต่ก็ดีอย่างที่อาตมาได้ธิบายเรื่องเพลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติที่จะใช้และเป็นประโยชน์อเป็นศิลปะอันเป็นมงคลอันอุ ด, ดมได้พาขึ้นสูงพาเจริญได้ถ้ามันมีมันมี มีคุณสมบัติของเพลงนะที่เป็นศิลปะอันเป็นมงคลอันดุดมแทนที่จะเป็นอันดุด ม, มงคลอันดุดมมันกลายเป็นค่าสึกแก่กุศลมันไม่ใช่ศิลปะมันกลายเป็นค่าสึกแก่กุศลเดี๋ยวนี้เยอะที่อาตมาวิจัยวิจารณ์ไปบางแล้วเมื่อวานนี้นะอาก็ลองอ่าเอาศึกษากันดูนะอาตมาก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้ถ้านําไปใช้ก็ดีเพลงกองทัพ พุทธธรรมอาจจะมาตั้งชื่อไม่ใช่เพลงกองทัพธรรมนะกองทัพพุทธธรรมเต็มๆเป็นชื่อกองทัพพุทธธรรมชื่อเพลงแต่ในเนื้อเนื้อในเนื้อเพง Th ap, Th ลง Th ap, Th ม, กงมีกองทัพธรรมตรงท้ายจบแลกองทัพธรรมไม่ในกองทัพพุทธธรรมหรอกกองทัพธรรมรงท้ายเพลงกับ ก, กองทัพธรรมในเนื้อกว่ามแต่ว่าชื่อเพลงนะชื่อกองทัพพุทธธรรมเพราะธรรมะนีนกลางกลางกองทัพ เขาอาจจะอันอื่นเขาเอาไปกรองทับอะไรธรรมะเขาไม่ไปธรรมะของแบบอื่นได้ในอันนี้ก ำ, ำ, กำหนดลงไปเลยว่าเป็นแบบพุทธนะต่อมาเมื่อมีคนมาว่าพ่อท่านไม่ดีต่างๆนานาให้เราฟังเราควรเถียงเขาดีไหมคะหรือว่าเราจะทำอย่างไรดีหรือทางที่ดีที่สุดคืออย่างไรคะคนข้างวัด พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะในพระเจ้าปีดกเล่มเก้าในท่านตรัสไว้อยู่อาตมาพอจําได้จากเล่มนี้เล่มอื่นก็คงมีหลายเล่มน่ะสูตรไหนไม่รู้สี่สูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองจาสูตรที่หนึ่งเลยหรือเปล่าก็จําไม่ได้นะในพระเจ้าปีดกเล่มเก้านี่แหละมีคนตําหนิธรรมาพระพุทธเจ้าน่ะเพราะงั้นมีคนมาว่าอาตมาว่าไม่ดีต่างๆนานาก็เหมือนกันนั่นแหละ นี่คนมาตำหนิเอามาไม่ดีต่างๆนาน า, นาก็คือการตําหนิอพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่ามีใครตําหนิแล้วนา น, นะก็ฟังไว้นะเขาตําหนิแล้วมันมีข้อถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ก็รับแล้วก็รับคําเขารับเขาแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ควรจะต้องบอกเขาไป ว่าไม่ถูกต้องอย่า ง, งานั้นกกลาางงาก่าวอย่า ง, งานั้นไม่ถูกกล่าวอย่างนี้ผิดนะนะสูตรแรกเลยอ่าน่ะสูตรแรกเลยนะอะกล่าวตําหนิตําหนิพระพุทธตําำนิพระธรรมตําหนิพระสงฆ์อาตมาก็อยู่ในข่ายพระสงฆ์นะเพราะงั้นใครจะมากล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยอเนกปริยายนะก็ท่านก็ตรัสว่านะ ก็ถ้าเกิดว่าไปน่มันมีคนสองคนน่มีมานพสองมานพพรหมทัตกับสุ ป, ปสุ ป, ปิยะน่สุ ป, ปิยะปริพาชกกับพรหมทัตมานพน่ซึ่งจริงๆก็เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันนพระอันเทวาศิษ์ในประวัติเป็นลูกศิษย์อันเทวาศิกย์ก็ลูกศิษย์ของสุ ป, ปิยะปริพาชกนี่เป็นปริพาชกเป็นอาจารย์ส่วนมานพน้อยเนี่ย นามานพที่พชื่อพรมทัตนี่เป็นลูกศิษย์นทีนี้ก็แย่งกันพรมทัตมา น, นาอผู้ที่ตําหนิคืออใคร อ, อาจารย์ลูกศิษย์หรือมันจะอาจารย์ตําหน่สุ ป, ปิยะปริภาชกเป็นผูตน้ตําหน่งส่วนพรมทัตเป็นผู้ชมอ่าก็เลยขัดแย้งกันนะ ทีนี้พอมีผู้นำมาถามทูนตาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะตอบว่ายังไงมีคนปติมาชมอย่างนี้แล้วจะให้ว่าไงขึ้นไปอีกเลื่อนขึ้นไปมาเป็นเจ้าอเนปริยาอย่างนี้แล้วทำไงแล้วอะไรต่อ ทราบความในมูลสัตว์แะญาส่กันได้เอาที่คำตอบล้วขึ้นไปอีกนะต้องเอาที่ท่า น, านตอบท่านก็บอกว่าถ้ามีผู้มาตำหนิแล้วเธอทั้งหลายไม่ควรอคตไม่ควรเสียใจน้อยใจ ไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้นนะใครจะติยังไงก็ไม่ควรจะขุนเคืองเธอทั้งหลายจักขุนเคืองคงมาน้อยใจหรือคำที่พูดผิดนะไม่ขุนเคืองไม่ต้องน้อยใจอะถ้าเป็นอย่างนั้นอันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นแน่น่ะเพราะงั้นใครจะมาตาหนิอย่างไรอย่างไรเราก็ตามเราไม่ต้องไปทำใจของเราให้ไปในทางอากุศลที่มันไม่ไม่ดี จิตของเรามันเศร้ามันมองมันชังมันไม่ชอบใจมันอะไรไม่ไรอย่างๆนะ่างนาะคุณเครื่องต่างๆน้อยใจต่างๆอะไรต่างๆก็พยายามอ่านใจในใจเราหัดทรมณสิการการทำใจในใจหรือมณสิกโรติทำใจในใจให้เป็นนะฟังไปแล้วนี่เขาเข้าใจแล้วเราก็จัดการทำใจให้เป็นรับสัมผัสฟังแล้วก็อ้อนี่เาติก็รู้เขาติ ไม่ต้องมีอาการต้องหลอานอาการของใจอาการของใจเคืองมันเป็นอย่างนี้โกรธมันเป็นอย่างนี้ไม่ชอบใจบางอย่างอยากจะตอบโต้เป็นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาอยากจะตอบโต้ก็เป็นได้นะแต่ตอบโต้ท้านก็จะตจัดนะ จ, จะพึงรู้คำที่เขาพูดถูกหรือคำที่เขาพูดผิดนะมองให้ดีถ้าไม่มีอารมณ์อาการอะไรพวกนี้มันจะรู้อย่างชัดเจนเลยว่า เขาพูดในถูกหรือผิดตรวจตัวเองนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่สามารถทําจิตใจให้เป็นอย่างนี้ได้นะก็นั่นแหละพระพุทธเจ้า ก, ก็เดยโยงอันนี้ไปถึงการตําหนินะตําหนิพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยแม้แต่จะมาตําหนิพระพุทธเจา้าอันนี้เป็นเรื่องของการตําหนิพระพุทธเจา้านะท่านก็บอกว่าโอ้โหเน้นตําหนินั้ น, นยังตําหนิเราน้อยไปอะไรนท่านก็บอกว่าท่างกระต่ายคุณท่านบานอก ท, ท่านเป็นตั้ง เนี่ยตอนนี้ท่านก็เริ่มบอกว่าตําหนิท่านนะถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธคุณก้าเริ่มตนเลยท่านยิ่งใหญ่ท่านอะไรอะไรไปจนกระทั่งไล่ไปถึงพระธรรมไล่ไปถึงศีลสมาธิปัญญาตําหนิท่านก็อธิบายยาวไปเลยอะตําหนิเรายังน้อยไปอศีลของเรามีอะไรบ้าง ท่านก็นไล่ไปเลยจุลสีลมจุลสีมหาศีลอย่างนี้เป็นต้นนีนในสุดตรงนี้นะแต่ชมต้องชมว่าท่านมีอย่างนี้ถ้าตําหนิแล้วแปล ง, งนั้นตําหนิผิดนะ่านะก็ถ้าแม้เขาชมก็ไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหมืมใจในคําชมเสนาธรรมมาก็เคยอธิบายมาแล้วใครตําหนิสรุปโดยก็ตําหนิก็ตามเขาจะชมก็ตามก็าฟังคําชมฟังคําตําหนิ ถ้าเขาตําหนิและตรวจสอบตนเองแล้วเขาตําหนิถูกต้องกราบเขเลยอาตมาก็เคยที่บายมามากมายไว้เขาเลยขอบคุณแม่ถ้าคุณไม่ตําหนินี่เราก็หลงตัวเองอยู่เงียตลอดกาลนาน น, านี่แม่ขอบคุณเลยทําใจอย่าไปโกรธไปชังอย่าไปรักไปชอบการการตําหนิมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้าอาตมาว่าอาตมาได้ดีเพราะคนตําหนิ จริงนะอตาตมามีเพลงอริยะหรือเพลงเพลงอริยะอยู่บทขอดบทเพลงไหนอะอตาตมาเนี่ยว่าอตาตมาได้ดีเพราะคนตำแหนิได้ดีเพราะการตำแหนิงมาได้สิบเลยเนี่ยเราได้ดีเพราะคนตำแหน่เห็นความจริงนะอาตมาเห็นความจริง เ, เพราะการตำแหน่เราเนี่ยเราตั้งใจแล้วก็ทําใจของเราให้ดีเลยว่าโอ้ยอย่าไปโกรธแม้กกเรเรามีก็ทําไว้ก่อนเลย อ่ตรวจสอบโอ้นี่เขาตำหนิเราถูกเรามีอัตราเรามีเกเรมันขึ้นเราแต่จะรู้เลยว่าโอ้นี่ก็มีเรายังมีอันนั้นอันนี้อันนี้มันจะอ่านใจมันจะมีเชิงปฏิพานปัญญาจะเกิดถ้าเกิดโกรธไปเลยถ้าเกิดได้รับคําชมก็เหลิงรอยไปเลยโอ้โหขึ้นสวรรค์หอ่อหอไปเลยไม่รู้เรื่องไม่ได้เตดตรวจตราอะไรหรอกโดยเฉพาะชมยั่งไม่ตรวจใจเลยตำหนิก็ไม่โตแล้วหน้ามืดนะ น่ามือตามัวตาเขียวตาขุนใจขุนใจมัวหมดเลยมันไม่ตรวจเพรา ะ, ะนั่นอย่าทนะซึ่งมันมีหลักเกณฑ์อยว่าถ้าเขาจะด่าเขาจะดิเขาจะติเขาจะว่าเราไม่ดีเขาจะว่าเราผิดอย่างนั้นเสียอย่างนี้เลวอย่างง น, นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็ตรวจตามที่เขาว่าคนด่ามาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรอ้างอิงไม่มีอะไรที่พอจะเข้าใจด่าสาดเสียเทเสียเขาใช้คำว่างั้นคือด่าเล่น นะด่าอะไรก็ไม่รู้หยาบๆคล้ายๆไม่เข้าเรื่องอะไรด่าไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานอ้างเองไม่มีอะไรที่เป็นความหมายไอ้ยางงั้นก็แล้วไปด่าจ่าเสียเทเสียเราก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรแต่เราก็ทําเฉยเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกยังไงเพราะเขาด่ามาไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายไม่มีสิ่งจะอธิบายถูกว่าผิดยังง้นผิดยังงี้ด่าไปยังตงเช่นเขาตกเขาเอาง่ายๆไอ้สัตว์หมาเอเราเป็นที่ไหนล่ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นเอาละเราเข้าใจคําว่าสัตว์หมามันเป็นสื่อสื่อลงไปให้รู้ว่าเรามีนิสัยมีความโง่ความเสื่อมความเลวความไม่ดีไม่งามแล้วก็ไม่ได้ว่าหมาชั่วนะเขาเปรียบเราเหมือนหมาเนี่ยมันต่ําอย่างนั้นมันชั่วอย่างนี้มันเดรจฉานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบความหมายของคําว่าเดรจฉานในความหมายของอบาย ของความไม่ดีไม่งามเทียบเราเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ชั้นต่ําโดยเฉพาะหมูหมาอะไรแล้วแต่หรือเป็นสัตว์อะไรแล้วแต่แต่เขาสมมติกันโนบ ย, ยิงวะเฮียแล้วก็กโกรธกันใหญ่เลยมันคืออะไรอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเป็นนา ม, มาทำไม่ใช่หมายถึงตัวตนบุคคลเราเขาหมายถึงเนื้อหนังร่างกายไม่ใช่มันหมายถึงคุณลักษณะหมายถึงคุณธรรมหมายถึงจิตใจแล้วก็ ตรวจถ้าตรวจว่าเราเองเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเลยเออจริงจริงยิ่งเขาว่าละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้รู้ครบเลยว่าโอ้ชัดเจนเนาะว่าเขาวาอย่างนี้แล้วเราเป็นอย่างนี้เต็มเต็มเลยถูกแล้วก็ขอบคุณเขาถ้ามันไม่ถูกก็บอกเออเขาเข้าใจไม่ได้เขาด่าผิดผิดเขว่าผิดผิดตำหนิผิดผิ ด, ผ ด, ผดมันก็เป็นความเข้าใจไม่ได้ของเขาข้อมูลเขาไม่พอคุณก็ให้ข้อมูลเข้าไป ว่าอย่างงี้นะเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราอย่างงี้อย่างนี้อ่าบอกความจริงเข้าไปไม่ต้องไปเถียงไปเถียงมาอะไรหรอกบอกเขาฟังเขาฟังถ้าเขาไม่ฟังไม่ควรบอกพูดไปมันก็แยง้งก็ดา่าตอบมาไม่ฟังเสียงเลยไม่อะไรเลยยืนยันว่าจะด่างงี้ยเลวะเอาเก็กลับไปเขาด่าไปเถอะแล้ว ก, วก็ไม่ฟังก็ดีฟังแล้วก็เท่านั้นก็เมื่อเม่รู้เรื่องกันเอาแต่มัน คือด่าสาดเฉยๆไม่ต้องการรู้เรื่องว่าแล้วเราเองมีอะไรบอกอะไรพระเจ้าถึงบอกว่าเขาด่าก็ตามเขาชมก็ตามนะเสร็จแล้วเราก็จะต้องตอบเขาไปจิตดาวที่ถูกในในในในอันเนี้ยในในมีสูตรอื่นๆอีที่ท่านบอกว่าเราก็ตอบเขาพึงตอบเขาท่านบอกเลยนะเพึงบอกความจริงแก่เขาให้ถูกแล้วก็ บอกสําหรับผู้ที่บอกได้ถ้าบอกไม่ได้มันบอกเขาไม่ยอมรับไม่ยอมฟังเราก็ไม่ต้องไปบอกมากเรารู้แล้วว่าคนนี้บอกอะไรเขาเขาไม่ฟังแล้วเขายึดมัน่นถือมั่นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกอบอกไปแล้วก็ไม่ต้องเราก็แสดงสิ่งที่เราควรจะแสดงไปบอกไปบ้างบอกไปถกไปแยง้งอะไรมาเขาไม่แล้วก็ปักใจแล้วออย่าง ยกตัวอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าอาตมานี่มันอยู่ในระดับโง่ยังไงก็โง่มาตลอดเวลาอาตมาก็บอกว่าอาตมาโง่ก็ได้กรับรับไว้บอกมัเป็นไรอาตมาก็ถือว่าอาตมาไม่มีปัญญาไม่โง่ไม่ฉลาดก็แล้วกันก็โง่ก็โง่ไม่ว่าอะไรเขาก็ยืนหยัดเขาคิดอย่างนั้นแล้วเห็นอย่างๆๆนั้นจริงๆนะเสียอาตมาก็ไม่ได้เห็นว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเป็นคนโง่ะอะไรจกนกระทั่งไม่เข้าเรื่อง ก็มีอะไรเฉลียวฉลาดหลายอย่างอาตมาก็บอกด้พูดไม่ใช่ประชดประชันแดกดันอะไรนะความจริงอาตมาก็เห็นอยู่ว่ามีมีปฏิพานปัญญาเชิงฉลาดฉลาดจนกระทั่งหลายอย่างเอาแพะชนแกะมาผูกเรื่องผูกราวาก็มีอาตมาก็รู้ว่าเห็นอยู่เรื่องจริงนะนะมาเทียบเคียงกันมันไม่เข้ากันหรอกมาเทียบเคียงกันมันไม่เข้ากันแต่อาตมาก็ก็แย้งไปบ้างไม่แย้งบ้าง น่าผมเสียเวลามากนสรุปแล้วก็คื อ, อเราควรจะเถียงเขาไหมก็บอกความจริงได้บอกบอกความจริงไม่ได้ก็ไม่ตองไม่ต้องเถียงต้องถกอะไรอย่างที่พูดไปแล้วน่ต่อมาอีกเจ้านึงบอกว่าคำว่ารักไม่มีเงื่อนไขโอ้รักไม่มีเงื่อนไขมีสภาวะอย่างไรคะในรักสิบมิติ อ๋อเอาคำว่ารักไม่มีเงื่อนไขนี่มามามามามาถามอาตมาว่ามีสภาวะอย่างไรค่ะในความรักสี่มิติอาตมาแบ่งหรือเขียนความรักสี่มิติไว้ตรงกับมิติใดหรือในแต่ละมิติจะเป็นรักอา่ามีมีไม่มีเงื่อนไขต้องเป็นรักอย่างไรออไม่มีเงื่อนไขต้องเป็นรักอย่างไรในวันเล็บอย่างยังไงคะงง จุงเบยนะมีงองจุงเบยนะอรักไม่มีเงื่อนไขนั่นคือรักอย่างโง่โง่รักไม่มีเงื่อนไขนรักจะโง่ง ม, ม ง, ง, ง, ง, งมงายรักต้องมีเงื่อนไขอย่างที่อาตมาอธิบายไปสิบมิตินี่ก็คือเงื่อนไขนะสิบมิติก็คือเหตุผลต่างๆเงื่อนไขต่างๆเลว่ารักสิบมิติ ทั้ความรักที่เป็นกามความรับใครอยากทางกามทางราคะโดยเฉพาะกามทางด้านเพศมันเห็นแก่ตัวจัดจัดเพศถ้ามันรักทางเพศดำดิสนากันหนักแล้วจริงๆนี่ใครก็พูดไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็ยังเอาไม่อยู่ครูบาอาจารย์คนที่รักนับถือทั้งหลายเอาไม่อยู่ทั้งนั้นหน้ามืดตามมัวมาก จะว่ารักในเพศคือเพศชายเพศจริงรักในเรื่องของมีถุนเพศชายเพศจริงทางสัมงันทางคู่ <c oughs> ก็ได้ถ้าผ้วรักอย่างมืดตามืดตาโ ม, มรักต้องการในลาบในยศ อ, อย่างหน้ามืดตาโ ม, มพูดกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็ดำริศณาเหมือนกัน เอาอันนี้แหละอันนี้้มุ่งมัน่นอันอื่นไม่เอาเลยเช่นคนไม่ได้รักเรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายเพศหรอกฉันรักเงินรักทรัพย์มากกว่าใดใดเพราะฉะนั้นลูกเต้าผัวเมียคู่รักสู้ไม่ได้เห็นแกงเงินเห็นแกลาบมากกว่าเหมือนกันเห็นแกยศเห็นแกศักดิ์ศรีของยศ มากกว่าก็เหมือนกันเห็นแก่สันเสริญเราเรียกกันว่าศักดิ์ศรีอะไรต่างๆตรงนี้ที่จริงมันก็ซ้อนเถิดเสีมันก็ควรมีให้มันสมเหมาะสมควรแต่ลักอย่างดำริสนามหน้ามืดมันไม่มีเห็นมีผลเลยเพราะไอ้สิ่งอาศัยจะเป็นลาบยศสันเสริญหรือกามก็ตามแล้วก็รู้ถ้าเรื่องของกามหรือว่าเรื่องของลาบที่โดยธรรมลาพระธรรมิกายศโดยธรรม สันเสริญโดยธรรมมันมีเป็นธรรมชาติลาบโดยธรรมก็มียศโดยธรรมก็มีอาตมานี่ไม่มีใครตั้งยศหรอกอาตมามียศไหมมีฐานะไหมฐานะเป็นที่ยกไว้อ่ะว่าสูงอ่ะมีไหมโดยธรรมมีสันเสริญมีไหมแล้ว ย, ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีหมด ลาบอาตมาก็มีทุกวันนี้ก็อาศัยลาบที่มีตามบา ร, รมีทําบุญอยู่เหมือนกันภาเพรเราสร้างภาเพรเราทําแม้อาตมามีบา ร, รมีจะมีคนที่ส่งเสริมสนับสนุนเพราะอาตมาไม่ได้มาตั้งราคาการได้เงินได้ทองได้ลาบได้ของอะไรก็มีคนเอามาให้มาสนับสนุนส่งเสริมมาให้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ต้องสอยต้องอะไรได้อยู่บาก แต่ธรรมาก็ไม่ได้จิต ไ, ไ, ไม่ได้สะสมไม่ได้ถือเป็นราวเปของเราอะไร <c oughs> เข้ามาใช้ในนี้ในงานในศาสนาในธรรมานี่ทั้งหมดไม่ได้เอามาเป็นของตัวไม่ได้มาใช้ของตัวไม่ได้เอาไปมุกบิบไปสะสมกัตุนแม้แต่แอบเอาไปเสพซื้อเสพหรือเอามาให้แก่ตนอรตามาก็เคยบอกแล้วว่าเงินผู้ใดมาทำบุญโดยเฉพาะเงินเข้าของก็เอาใช้ บริสุกคนแจกจ่ายเหมือนกันนั่นแหละโดยเฉพาะเงินเนี่ยถ้าให้เป็นเงินแล้วอาตมาจะไม่ใช้เงินนี้เพื่อตัวเองไม่ว่าจะเจ็บป่วยก็จะต้องใช้เงินที่เขามาทําบุญเป็นเงินกับอาตมารักษาตัวเองเพราะงี้แม่จะจะกินไม่มีจะกินเลยก็ไม่เอาเงินซื้อซื้อข้าวมเงินเขามาทําบุญกับเราอยู่นี่โอ้โหมันจะตายแล้วนั้นนี่ย ถ้ามันตายไปเลยไม่เอาเงินเข้ามาเสื้อถ้าไม่มีใครอนุเคราะห์ไม่มีใครให้กินไม่มีใครช่วยให้ป่วยเจ็บก็เหมือนกันถ้าใครไม่ช่วยรักษาก็ไม่เอาไม่เอาเงินที่เขามาทำบุญเงินนี่กถถ็ถือเป็นเงินนาบุญหมดเลยทําเงินให้แก่งานธรรมาศาสนาแก่ผู้อื่นไม่ใช่ตนเองอาตมาก็บอกพูดไปแล้วก็ทําจริงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทําได้ยังไม่ได้ขบฏอ่า อย่างบริสุทธิ์สะอาดอยู่นะเพราะงั้นก็านมือก็ผ่านมาอมาจาตย์ธรก็ก็เอามาใช้ส่วนกลางส่วนสาธารณประโภคีนี้ทั้งหมดน <c oughs> ถามพระครูว่าสืบเนื่องครั้งที่แล้วเรื่องเห็นกล้วยหน้าจอแล้วชอบอยากกินพระครูตอบว่าให้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะข้หนึ่ง เราจะไปอยากกินกล้วยทำไมกล้วยนั้นอยู่ไกลอ๋อมันอยู่ไกลเลยไปอยากกินทาไมนะสองกล้วยหวีนั้นเอาไว้โชว์หน้าพ่อครูหน้าจอนั้นดีแล้วอย่าไปอยากกินเลยพูดกันก็คือหาเหตุผลให้ตัวเองนะเนาะก็เลยวิจัยไปว่าโอ้ยมันอยู่ไกลอย่าไปอยากกินทาไมมันแมนเหมือนหมาเห่าเครื่องบินปเปล่าไม่ได้กินหรอกเห็นมันก็ทางอากาศ ถ่ายทอดมาเราก็นั่งอยู่บ้านกล้วยก็อยู่ในที่อาตมานั่งอะไรเงี้แต่วันนี้ไม่มีกล้วยเนาะวันนี้วันนี้หน้าโตะ๊ะแปนเอิดเติดเลยหน้าโตะ๊ะภาษาอีสานกากจ่ายไปหมดพอดีพลงานเสร็จพอดี พวกนี้ก็เลยมีญาติกรรมญาติญาติพี่น้องมาเยอะก็เลยแจกไปหมดเลยก็เลยไม่เหลืออยู่ที่นานโต๊ะนี่เลยไม่มีอะไรประดับไม่ได้ไปเก็บมางานเพิ่งเสร็จมันเพิเมื่อยยังไม่ได้เก็บอนะพืชพันธุยาหารเขาลดลงตอนนี้พอน้าท่วมานะที่นี่ก็มีสวนอื่นก็มีอยู่แต่ยังไม่ได้ไปเนะกายังไม่มีแปดเออเตอริรภาษาอีสานมายรับว่าเกลี้ยงนะเปลี่ยงเรียบไม่มีอะไรข้อสาม กล้วยวีนั้นก็างามแต่ตอนนี้ต่อไปก็หมดงามแล้วกินวีอื่นก็ได้าหาเหตุผล อ, อันนี้คุณหาเหตุผลมาเพื่อล้างว่ามันจะไม่ต้องไปอยากให้กินมันก็เป็นเหตุผลเทียบเคียงเป็นพราะเหตุผลเทียบเคียงก็คลายใจได้เป็นเหตุผลเป็นตักกะก็ช่วยช่วยได้ไม่น้อยอก็เกิดความเฉลียวฉลาด ถ้าจะให้เดี๋ยวฉลาดเข้าประมัิเลยก็ต้องอ่านตัวใจอยากของเราว่าเองอยากจริงๆไออาการอยากตัวนี้ในเองไม่อยู่จริงหรอกนะถ้าถึงเวลาเองมีกล้วยได้สัมผัสกล้วยก็กินสิถ้าไม่ได้สัมผัสกล้วยไม่มีกล้วยก็กินอื่นแทนไปติดอะไรหละกล้วยถ้าติดกล้วยมันเห็นกล้วยก็อยากกล้วยสิ แต่ถ้าไม่ติดกล้วยเห็นกล้วยมันก็ไม่อยากจะสวยจะงามขนาดไหนมันก็ไม่อยากไม่ติดกล้วยแล้วแต่เพราะติดใช่ไหมเพราะาเมื่อติดก็ต้องล้างตัวนี้เมื่อติดก็คือติดเพราะมันต้องได้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ชอบไอ้อย่างนี้ชอบถ้าได้ก็ชอบถ้าไม่ได้ก็ต้องอยากได้ก็หาสแสวงหาไขว่คว้า พอได้มาก็ชื่นใจจะเป็นการได้อยากได้เพราะตัวกล้วยอยากได้หรือไอความอยากนั่นนะ่ะโดยตรงมันไม่เที่ยงหรอกอยากมาได้อะไรเพราะมันชอบมันสัมผัสแล้วมันชอบขนาดห่างไกลอยู่ทั้งโอโหอยู่แต่แค่จอโทรทัศน์หรือยังไงอยากได้มานะอย่างนี้เป็นต้นมัน ถ้าเผือว่าเรายังมีอาการมันลึกซึ้งอยู่จะพิจารณากว่าจะเกิดปัญญาที่จะรู้จักไตรลักษ์เนี่ยจะรู้จักว่ามันไม่เที่ยงมันพาทุกข์ถ้าปฏิบัติยากอยู่และจริงๆมันไม่มีกิเลส ต, ตัวที่อยากได้อยากมีอยากเป็นตัวนี้หรอกมันจริงๆแล้วเราเองเราเกี่ยวข้องกับอะไรวันนี้ก็ออกกล้วยมาให้เกี่ยวข้องให้รับประทาน ก็เลยกิกล้วยก็เลยมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราบัดนี้ควรกินเหมาะสมแล้วก็กินไม่ต้องอยากแต่มันเป็นอาหารจะกินกล้วยการไม่ได้อยากกินกล้วยเพราะมันอร่อยเพราะมันรูปดีเพราะรสดีกลิ่นดีเสียงดีอะไรเราก็ไม่มีรูปมันก็เป็นเช่นนั้นเออมันสวยเราก็รู้ตามสมมุติน่ะ พอสวยมันลูกโตดีเออเนื้อนิ่มเนื้อไม่แข็งเนื้ออะไรอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นไปนตามสภาวะของความจริงตามความเป็นจริงของมันทั้งนั้นถ้าคุณเองคุณพยายามพิจารณาเห็นความจริงที่เป็นไตรลักษณ์นี้จริงๆแล้วโดยโบูหารโดยภาษาโดยสมมุติมันก็เป็นสามัญอย่างนี้แหละเป็นหลักการ แต่ถ้าคุณมาพิจรารณาแล้วจิตมันเกิดปัญญาญาณเห็นจริงแล้วว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆถ้าเราไปติดที่ว่าหน้าได้นามีหน้าเป็นถ้าตรง น, นี้ยิ่งสเปคอย่างนี้ตรงเหลือเกินเราก็ล้างความยึดมัน่นถือมั่นนั้นได้ไม่ต้องไปติดไปยึดอย่างนั้นถ้ามันติดยึดอ ย, ย่มันจะทุกข์ตรรกะรมานมันก็กลายเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นไปอยู่ตลอดจริงๆอาการพวกนี้มันไม่มีตัวต้น เพราะการอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะลดลงจางคลายลงเราก็จะเห็นตัวตนที่ลดลงลดลงส ก, กายะลดลงลดล ง, ลดลงเห็นความลดละจางคลายเห็นจนกระทั่งอาการมันลึกซึ้งหน่อยที่จะต้องเห็นว่ามันเป็นตัวเหตุและมันเป็นตัวที่ต้องมุ่งมาจารถนาอยากได้มามีม า, มมาเป็นมาได้มันลดลงลดลงจนกระทั่งถปัดแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น แต่สัพนะแล้วก็คุรู้ความจริงตามความเป็นจริงสัพัดแล้วอะไรมันควรไม่ควรก็ก็เกี่ยวข้องมันตามควรอันนี้ควรเอามาใช้ก็ใช้อันนี้ควรมาหนุ่งก็นุ่งอันนี้ควรมาหอมก็หอมอันนี้ควรมาใช้แบบนั้นใช้แบบนี้อะไรที่ควรจะเป็นก็ทําไปทํานั้นแม้แต่สุดุดใช้รับประทานใช้กินก็ไม่ต้องไปมีไอ้สิ่งที่เกินสิ่งที่มัน ทำให้เราลงผิดนะนั่ น, นนี่เรื่องของกล้วยนะก็อธิบายมันเป็นประมาทดีเหมือนกันนะถามมายกตัวอย่างนึงกล้วยเท่านั้ น, นาจากระยองนนิยามห้าจากพีชะไปสู่จิตนิยามผมสงสัยว่าพีชะนิยามจะมีแต่ตัวถูกรู้ไม่มีธาตรู้ มันจะมีวิวัฒนาจนถึงระดับจิตนิยามมีธาตุรู้ได้อย่างไรธาตุรู้เข้ามาตอนไหนครับเออวิวัฒนาการของธรรมนิยามหานี้นี่นะการทรงไวทรงไวนี่ก็คือสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่ในโลกในมหาจักรวาล เป็นธาตุที่ละเอียดจนถึงธาตุหยาบธรรมนิยามนี่ก็คือคํารวมทั้งหมดเรื่องสิ่งที่เกิดที่ทรงขึ้นเพราะมันเป็นอุตตุตั้งแต่เป็นพลังงานพลังงานอุตอาาตุูนฮาธาตุธาตุจะเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอากาศแม้แต่อากาศก็เป็นอีกธาตุหนึ่งอากาสัตธาตุ อากาศกับลมนี่ต่างกันอย่างไรลมคือการเคลื่อนไหวไปมาระหว่างความบางเบาละเอียดซึ่งในภาษาอตริกเขาเรียกว่าแก๊สเนี่ยมันก็ยังแยกแก๊สไปได้อีกแต่เราเรียกแค่ลมภาษาทางอีกทางศาสนาทางด้านทั้นทงนี้ตะวันออกภาษาทฤษฎีเขาไปเรียกทางด้านโนนว่าแกส๊สมันละเอียดบางเบา บางอย่างมีสีมีกิน ล, ลมบางทีก็มีสีมีมีกลิน่นะจากลมเป็นอุณหาธาตุทะเลเราเรียกว่าไฟเนี่ยเป็นความร้อนความร้อนที่ร้อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็เรียกมันว่าเย็นที่จริงก็คือร้อนที่น้อยจนกระทั่งร้อนน้อยมากจนขระทั้งลบองศาลบไปติดลบไปก็เรียกอุณาธาตุนั่นแหละ เราก็เรียกเย็นภาษาแยกระหว่างกลางระหว่างศูนย์เย็นกับร้อนแต่ความจริงความรู้สึกของเรามันไม่ตรงศูนย์หรอกแต่ละคนเย็นร้อนติดยุดต่างกันอย่างนี้พอดีร้อนพอดีอย่างนี้เย็นพอดีอย่างนี้ถือพอดีอย่างนี้ร้อนอย่างนี้เย็นยึดต่างกั น, นสรุปแล้วอนาธาคือธาตุของทางพลังงานทั้งหลายแหลในโลกในโลกในมหาจจกวานนี้ มีมากมายพลังงานความร้อนพลังงานอ่ออะไรก็แล้วแต่มันโอ้ยากยากเยอะความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็ผูพลังงานดูไฟฟ้ากับลังงานทำลายละลายได้หมดเลยก็คือร้อนนั่นแหละธาตุไฟนั่ น, นสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นชีวะ พลังงานไม่เป็นชีวะต้องแยกกันตรงนี้พลังงานพวกนี้แหละพัฒนามาเป็นชีวะได้ที่ถามมานี่ถามว่าแล้วมันจะเป็นเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้จากพลังงานอุตุมาเป็นผีชะจะเป็นเมื่อไหร่อาตมา ก, ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มันมีวัฒนาการมาจากมันเป็นพลังงานคุณสมบัติของผีชะมันก็มีพลังงานของความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยมีจริงๆ ใช้อยู่ในตัวของมันเลยสังเคราะห์แล้วก็ทำเกิดชีวะด้วย อ, อัตโนมัติของตัวมันเองและพีชานี่มันมีธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านแยกเอาของพระพุทธเจ้ามาท่านแยกพลังงานพวกนี้ออกไว้โดยเฉพาะเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานไม่มีตัวตนเป็นอารูปจนกระทั่งถึงนามมาทำเป็นชีวะเป็นอารูปของเจ้าอุตุ เธออุตุนิยามหรืออุณาธาตุมันก็ไม่มีตัวตนเยอะไปเป็นขั้นอะูุเป็นแก๊สเป็นลมเป็นแสงเป็นอะไรไม่มีแสงจนก็ตั้งตาเรานี่สัมผัสไม่ได้นะคลื่นความของตานี่ยมันสัมผัสไม่ออกก็เยอะเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันตินนักทบแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกแต่โอ้พิษเยอะนี่นี่ไม่น้าไม่ท่วนรถก็เหมือนกันรถจืดๆนี่แหละมีพิษน้าไม่ท่วนเหมือนกันะ เพราะสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งนั้นเลยแม้แต่นามธรรมมีความแตกต่างละเอียดลออยะออนเจอะเมื่อมันเป็นชีวะแล้วความเป็นชีวะของท่านที่แยกเอาไว้ที่อาตมาแยกให้ฟังแล้วว่เอาของพระเจ้าว่าถ้าเป็นจิตนิยามแล้วมันจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณครบเลยแต่ปีชะยังไม่ใช่ถึงจิต ยังไม่ถึงขั้นความเป็นจิตเป็นชีวะในขั้นมีรูปไม่มีเวทนามีสัญญามีสังขารแต่ไม่มีวิญญาณเวทนาไม่มีวิญญาณไม่มีมีรูปมีสัญญามีสังขารมันกำหนดรู้ในตัวมันได้อย่างนี้คือธาตุที่มันต้องการอย่างนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องการอันใดต้องการมันก็มาสังเคราะห์ ในในสั้งขาของมันมาสั่งคลอดในสังขาอะไรที่มันไม่เอามันก็ไม่เอาบางอย่างมันก็ผลอกก็คือพลังงานของไฟฟ้าบางอย่างมันก็ดูคือพลังงานแม่เหล็กนี่เป็นต้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็รู้ร้อนมากไปเย็นมากไปรับไม่รับมันมีหมดเิอฟิสิกส์เจออุณหภูมมันมีหมดเหมือนกัน แต่เมื่อมาเป็นนามธรรมแล้วมาเป็นชีวะแล้วมาเป็นนามธรรมของเขาของผีชะเราไม่เรียกถึงนามธรรมพระยังไม่ถึงเป็นมันมีรู้แล้วนะเริ่มรู้แล้วสัญญามันกําหนดรู้ได้บ้างแล้วทั้งขานมันก็ทาเป็นโดยตัวมันเองอัตโนมัติแต่มันไม่มีอารมณ์มันมีชักรักไม่มีชังไม่มีโกรธไม่มีเกลียดอะไรมันไม่มี เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีพยาบาทมันไม่ใึ่ไม่มีการยึดเป็นของเราแต่มันมีพลังงานแม่เหล็กมันเป็นสภาวะของมันซึ่งมันก็ยึดมั่นถือมั่นมากเหมือนจิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณไม่ได้เพราะถ้ามันยึดมั่นถือมั่นทั้งจิตวิญญาณและโอ้โหยึดมากแล้วก็เริ่มตั้งแต่สัตว์ที่เป็นจิตวิญญาณชั้นต่ําะ ก็จะมีพยาบาทมีโกรธมีกามอย่างน้อยจน ก, กระทั่งน้อยก็ไม่รู้จะใช้ภาษาเรียกว่าอะไรไล่มาเซลเดียวสองเซลอะไรเนี่ยโอโหอธิบาย ไ, ไม่ไหวหรอกนับเป็นลาลานละลานขึ้นมาจนสามารถที่จะเป็นธาตที่เรียกว่ามันมีผลักมีดูดมีการยึดมีวิบาก มีเริ่มมีวิบากถ้าธนบิษัทได้ไร่ชานไปก็เป็นมีวิบากไปมีการแย่งการชิงการรักการดูดการระไจงกระทั่งมีคู่มีอะไรอะไรขึ้นมามีเพศมีอะไรขึ้นมาต่างๆนานาที่จริงพิชชามันร่วมมีเพศบางแล้วแต่เพศมันก็ไม่มีอารมณ์แต่ทัพย์เริ่มมีอารมณ์มีเวทนามีวิญญาณเพ้วเมื่มีเวทนามีวิญญาณก็เกิดการแย่งชิงทําลายติดยึดแล้ว ตก็ตกเป็นวิบากมีกรรมรู้จักกรรมรู้จักวิบากเพราะองค์จึงรู้ธรรมะที่ครบคันลึกซึ้งพวกนี้ตามลําดับถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นอันจะมาตอบไม่ได้จุดที่มันจะเป็นตอบไม่ได้อจินไตยแต่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งเอาไว้อย่างเงี้แบ่งนี่ว่เยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ทางโลกเขามากเลย เพราะทางโลกไม่สามารถที่จะรู้จักนิยามห้าม่รู้จักว่าลักษณะเป็นวิญญาณมันเป็นไงแต่ของเรามารู้จิตนิยามแต่เรามาศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างไรสามารถที่จะแยกออกได้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์เป็นเวทนามันมีอันนี้มันเกิดจากกรรมและก็ส่งไว้ยึดไว้มาส่งไว้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปท า, านเป็นอย่างไรนะ เป็นอธรรมเราเรียกธรรมะนั่นแหละสิ่งที่ส่งไว้ขั้นอุปทานธรรมเป็นอย่างไรยึดแค่สมาทานธรรมคืออย่างไรเราก็จะรู้จักเมื่อเรามีตัวที่มายึดมั่นถือมั่นแล้วแต่เรายึดโดยอาศัยสมาทานแล้วก็ยึดไว้อย่างนี้ผู้ที่สามารถรู้จริงและทำจิตได้จริงก็ยึดอย่างอาศัยส่วนสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นก็คนที่ไม่รู้ เขาก็ยึดมั่นถือมั่นของเขาจนกว่าเขาจะสมบูรณ์ได้ว่าหมดยึดมั่นถือมั่นยึดแต่เพียงอาศั ย, ศยคงก็จะสุดท้ายจริงๆก็จะค่อยๆศึกษาแล้วค่อยยึดอาศัยไปได้เรื่อยๆนะอะไรที่ไม่อาศัยเราก็ไม่ต้องอะไรที่ต้องอาศัยบ้าง อ, อาศัยบ้างเราก็อาศัยไปตามควรไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสีดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ความที่จะเอามายึดมาเป็นตัวเป็นตนต้องได้ต้องมีต้องเป็นก็ลดลงตามแต่มันจะได้หรือมันจะมีมันจะเป็นก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ยิ่งเราลดความติดยึดต้องได้ต้องมีต้องเป็นโอ้ต้องสเปกย่างงอนยิ่งรู้ราผู้่มเฟือใหญ่โตมากมายอะไรมากมากมมากคุณก็เป็นภาระมากคุณก็ต้องไปแย่งชิงมากคุณก็ต้องทํางานมากคุณก็ต้องมีอะไรมาก มาเป็นของตัวท้ามากเอามาเป็นของตัวแล้วกอาห่วงแหนเอามาผลานผ้าให้แก่ตัวเองคุณก็สร้างวิบากเพิ่มก็ไปอีกกิเลสคุณก็หนาอีกเพราะฉะนั้นศาสนาต้องมารู้จักกิเลสมารู้จักการผลาญผ้าทำลานมารู้จักการยึยดยึดหอบกอบหอบห่วงอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นเลยเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากเศรษฐศาสตร์จริงๆเลยอ่าเรียกว่า ม, มโนมโนมณมโนเศรษโทมโนเศรษฐาเปนเศรษศาสตรเสรษฐาเศรษฐศาสตนเศษฐโทนี่คือความเจริญความประเสริฐเศรษฐาเศรษฐโทนี่เป็นความเจริญความประเสริฐเพราะงั้นเราเรียนรู้ได้ก็จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้สูงส่งน่ะต่อมาต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ย ปีชะกิะยามถามว่าปีชะจะมีแต่ตัวถูกรู้ไม่มีทาดุรู้มันรู้ของมันตามลำดับของมันรู้ว่าไอ้นี่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรนี่สัญญามีสัญญามีสังขารมันจะวิวัฒนาการถามตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นกินิยามเมื่อไร่ตอบไม่ได้มันมีสภาพที่มัน ไม่อัตมาจอบไม่ได้จริงๆแต่รู้ได้แต่วาเมื่อมันมาเป็นแล้วมันมีอะไรบ้างเราเป็นจิตนิยามเรามีเวทนามีวิญญาณเพราะนั้นผู้ที่มีเวทนามีวิญญาณแล้วจะมีกรรมกรรมเป็นวิบากส่วนผีชะนั้นมันมีกรรมเป็นมิบากยังไม่เป็นนิยามยังไม่เป็นจิตนิยามยังไม่มีกรรมไม่วิบากมาเป็นจิตนิยามแล้วที่จะมีกรรมเป็ิบากและเมื่อเป็นจิตนิยามและจิตนิยามที่พัฒนาเจริญเป็นจิตประเสริฐ เป็นเวณนยสัตว์จึงจะเรียนรู้กรรมเรียนรู้กรรมที่สูงขึ้นไปอีกแม้จิตประเสริฐระดับหนึ่งก็ได้คัลายาในชนสูงขึ้นไปก็ขัลาขยาในชนจึงจะรู้กรรมในระดับโลคุตระเป็นธรรมะโลคุตระหรือ ก, ร ร, อ ร, อ ร, ก ร, ร, รรมที่เป็นโลคุตระกรรมอย่างนี้เป็นโลกิยากรรมอย่างนี้เป็นโลกุตระก็จะรู้จักกรรมที่เป็นโลกุตระกรรมที่เป็นโลกิยะกรรม การกระทํำอิรียบทต่างๆจากอุทัยธานีมีวิธีอย่างไรที่จะฟังธรรมะให้รู้เรื่องขณะฟังธรรมตั้งจิตอย่างไรไม่ฟุ้งซ่านเพื่อจะได้ฟังธรรมให้รู้เรื่องเอาฟังไปตามลําดับอาตมาถ้าตั้งใจจะฟังอยากฟังธรรมคืออาตมาว่าดีคุณพูดอย่างนี้นะดีดีตรงไหนดูว่าไม่ฟังเนี่ยคุณคงฟังอาตมา พอฟังอาตมาแล้วก็บอกทาไมมันไม่รู้เรื่องวะอาตมาจะพยายามชี้ชัดให้ฟังวิธีฟังอย่างไรจะฟังทำให้รู้เรื่องขณะฟังทำตั้งจิตอย่างไรไม่ให้ฟุ้งร้านเพื่อจะได้ฟังทำให้รู้เรื่องนั่นมันก็ฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังสงเอาที่อาตมาว่าคุณฟังทำถ้าคุณฟังคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องก็แล้วว่เดียกว่าคุณแย่หมดเลย แต่ถ้าคุณฟังอัตมาไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องน้อยใจคนที่มีจิตว่าฟังธรรมอัตมาแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ยังมีใจว่าทำไมมันไม่รู้เรื่องทำไมคนอื่นเขาฟังรู้เรื่องอยากจะฟังรู้เรื่องเนี่ยจิตดีแล้วจิตดีแล้วคนที่ฟังธรรมอัตมาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่คนที่แย่ที่สุดก็คือว่าฟังไปฟังยังไงยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรือฟังไปยิ่งคนฟังแป๊บเดียวก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ ตีทิ้งเลยอันนั้นคนที่แย่ที่สุดนเรียกว่าไม่สนใจแล้วไม่มันมันไม่รับรับไปติดกันเลยมึงโอ้อันนี้มันคนละคนละพวกแน่นะแล้วคนไหนที่ฟังธรรมะธรม า, มาฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่ยังมีจิตที่อยากจะฟังรู้เรื่องดีนอกจากคนที่ฟังอรตมาไม่รู้เรื่องนั้นลบหลู่เลย ดูถูเลยในมีอัตตาละนี่อัตาละนะเพราะฉะนั้นคุณฟังที่คุณพูดมาว่าทายังไงจะฟังเรื่องฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังคนอื่นๆที่ก็ฟังที่ก็พูดละเอียดละอ่อหรือว่าใช่ละเอียดกว่าอาตมาพูดหรือว่ามันไม่ยากจากอัอาตมาพูดอาตมา ก, ก็บอกแล้วว่าอาตมาอธิบายธรรมะนี่มันขั้นลึกขั้นสูงมากจริงๆ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะฟังรู้ก็ต้องมีภูมิมาทําแม้ไม่เคยมาฟังอาตมา ก, ก็ตามจะเข้าใจจะพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าคุณฟังที่อยากฟังธรรมะอาตมารู้เรื่องเนี่ยคุณรู้เรื่องบ้างขอยืนยันว่าคุณรู้เรื่องบ้างว่า อ, อันนี้ดีนะอันนี้มันน่าสนใจอันนี้มีอะไรเจ้าเนี่ยใช่ แต่ถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นะเขาจะตีถึงเลยแล้วก็จะหาว่ามันมั่วมีพวกที่ว่าอาตมามามั่วไม่รู้เรื่องเลยโง่ดักดานพูดอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่อาตมาพระเทพบิดดคมขยายความตรงกันที่เขาฟังนั่นแหละตรงที่เขาคาแปลนั่นแหละแต่อาตมาขยายความให้มากขึ้นก็หาว่าต้องอันนี้ทำไมอันนี้ไม่ได้ไปตรงคํานี้ไม่เอาเลย ยึดมั่นถือมันอย่างนั้นเลยโดยพยัญชนะถ้าตาไปแล้วไม่เอานั่นคือคนยึดแต่ถ้าคนไม่ยึดอย่างนั้นก็ฟังว่าเออมันก็เออเขาเขาต า, านนะอันนี้ขยายความกัได้เป็นไวยพจน์กันได้เอออันนี้ใช้แทงอันนี้ขยายไปนี่ไปอันนี้เพราะเหตุนี้จึงมีเหตุนี้เป็นตำนานจนกระทั่งร้อยมาหลายมากเลยคนที่เข้าใจได้เขารู้ว่าอ๋ออันนี้เอาตรงนี้มันมีแกนมีแกนแล้วเ น, นี่เป็นพวงอยู่ดีแล้วอันนี้มาแปะตรงนี้ไป เออเข้าตาเข้ารูเข้ารอยคนก็จะก็เข้าใจไปนะต่อมาจากอุดจากอุทัยไปแล้วว่าจะทําไงรู้เรื่องการจากปราจีนผมขอขอบพระคุณเอฟเอมทีวีเอาจุดเปลี่ยนเอาจุดเปลี่ยนในข้อหมายก็พูดว่าจุดเปลี่ยนมาฉายเป็นประโยชน์มากครับขอให้ฉายซ้ําอีกครับมันมีรายการกจุดเปลี่ยนเหรอใช่ไหม เอาจุดเปลี่ยนมาฉายเป็นประโยชน์มากครับจุดเปลี่ยนคงเป็ชื่อรายการรายการของใครรายการของเราหรือรายการของคนอื่นจุดเปลี่ยนในใส่กระมากับพูดมาขอพระคุณ f อฟเอมทีวี T v, เอาจุดเปลี่ยนมาฉายเป็นประโยชน์มากครับเอฟเอ็เราไม่ได้ดูกันเลยเหรอแล้วเอามาฉายครบกับเราของเราแท้ๆไม่ดูฉายเอฟเอมฉาย จุเปลี่ยนอะไรผู้ที่เอามาฉายเองคืออะไรบอกหน่อยคงจะรู้ว่าจุดเปลี่ยนเป็นของอะไรต่อมาภาพหลังพ่อครูคือภาพคอมเพล็กซ์บุญนิยมสี่ภาพพ่อครูเห็นว่าภาพไหนเหมาะสมคะมีอะไรแก้ไขไหมคะใช่หินสายหินอ่อนหรือโลหะสร้างอยากรู้ค่ะเอาหนะ้าค่อยพูดอันนี้อมันเป็นอย่างที่คุณว่าก็เป็นไปไปอยู่คือเราเราพองที่ตอนในฟุ่งกันในฝันเขาพบกัน ในฟ่งกันในฝันก็พบกันเขาก็คุยกันเรื่องเรื่องพวกนี้แหละคอมเพล็กซ์เนี่ยคเ็กก็คือสถานที่รวมจะเป็นอาคารเป็นอาคารที่จะเป็นรูปโมโนโลิสเป็นรูปหินก้อนหนึง่งหินก้อนเดียวเดียวโดดเขาเรียกว่าโมโนโลิสภาษาอังกฤษก็ว่างั้นเป็นหินแท่งก้อนสูงๆใหญ่ๆเดียวเดียวโดดเนี่ยก้อนหนึง่ง แต่เราก็จะเอามาเป็นโครงสร้างของตึกของอาคารของวิหารเราเรียกว่าวิหารโมโนโลิสกึง่งภาษาวิหารก็คือเป็นภาษาไทยวิหารก็เป็นไทยโมโนลิสภาษาฝรั่งถ้าจะเอาฝรั่งตั้งมาเ็โมโนโลิสซังจอรีนะแต่ต่ออาตมาก็ใช้เป็นภาษาไทยว่าวิหารหินฟ้าโมโนลิสจะแปลว่าหินฟ้า แล้วก็จะมีโอปุตรูปนะแล้วก็องประกอบก็มีโบป ร, รูปองค์หนึ่งดังนั้นนะ่ะเขาก็เลยคิดอ่านกันว่าจะช่วยกันสร้างอัตมามีความคิดอย่างงี้ดั่งฤทธิ์ขึ้นมาเขาก็เลยมาต่อรูปต่อร่างขึ้นมากันมาช่วยกันอัตมาไม่มีปัญญาทําเองได้หรอกทั้งเรี่ยวแรงทรัพย์สินความอะไรต่างๆนาะนาะอัตมาก็ได้แต่พยายามเห็นว่าคนจะทําอย่างงี้ๆเขาก็ฟังเข้าใจว่าอัตมาสร้างไปเพื่ออะไร สร้างไปทำไมก็ไปที่รวมของคนกลุ่มมึงหมูหน่นึงจะมาอาศัยอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นนั่นแหละก็เหมือนกับไอ้ที่คอมเพล็กซ์ก็ทั้งโลกเข้าทุนนิยมแต่คอมเพล็กซ์สงเข้าทั้งโลกนั้นเขามอมเมาเป็นเรื่องการสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีโรงบันเทิงโรงมอมเมาโรงยั่วยุรวงอะไรตลอกเอาเงินเอาทองอะไรปรุงแต่งไว้ในนั้นเสร็จหมดแต่ของเราจะตรงเงินค่า จะไม่มอมเมาจะไม่ไปหลอกล่อจะไม่ไปเต็มไปด้วยการล่าเอาลาบ เ, เอายศมีแต่จะเป็นบุญนิยมของเขาทุนนิยมแต่ของเราจะเป็นคอมเพล็กซ์บุญนิยมพวกเราก็เข้าใจว่าอาตมามุ่งหมายจะทําอะไรก็เห็นด้วยก็พยายามจะช่วยกันทําอยู่เพราะเท่านั้นเองตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกเพราะว่ามันจะมันจะใช้ทรัพย์สินถึงเราไม่มีเงินมีท่องเลยแต่เขาคิดอ่านกันไปตามคิดว่าถ้ามีบุญบารมีก็ทําได้ ก็คงมีคนช่วยคนเหลือก็มีพอเสนอไปก็มีคนแม้แต่ข้างนอกก็ยินดีจะช่วยเหลือก็มียื่นมือเข้ามาบ้างแล้วขออภยัยที่ไม่พูดมากกว่า น, นีน้เอาแค่นี้ก็แล้วกันสมัยพุทธกาลชาดกของพระพุทธเจ้าร้อยเรื่องพันเรื่องท่านได้ตั้งชื่อตัวละครเป็นชื่อของคนอินเดียกันหมดเหมือนกับแว่นแคว้นในประเทศอินเดียพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบให้คนอินเดียเข้าใจใช่หรือไม่ครับถูกต้อง ให้คนอินเดียเข้าใจนั่นหนึ่งสองในความหมายของภาษาันี่นะจะเอาภาษาไหนมาตั้งก็ตามเป็นภาษาที่มีความหมายที่กำหนดรู้กันเขาก็ใช้กันกำหนดรู้กันไปอย่างอินเดียเขาใช้ภาษาอินเดียภาษานี้แหละภาษาบาลีก็ตามสันสกฤตก็ตามแล้เขาก็ใช้อันนี้สมมุิเรียกกันไปหมดตั้งชื่อรูปชื่อนามอะไรก็ว่ากันไปหมดเขากส็สื่อกันได้แต่สภาวะจริงของรูปของนามเหล่านั้น จะยุคไหนก็นแล้วแต่ตั้งชื่ออะไรขึ้นมามันก็คือสภาวะอันนั้นแหละอันนั้นแหละคําว่าค น, นาภาษาไทยว่าคนภาษาอื่นว่าอะไรก็เรียกอันนี้แหละสภาวะนี้แหละคําว่าสิ่งนี้คืออะไรนะอันนี้จะเรียกไมโครโฟนจะมีภาษาไทยเรียกไมหมล่ะก็เรียกไปเย็นร้อนอ่อนแข็ง หรือชื่อลูกไม้ลูกต้นไม้ลูกคนสัตว์สิ่งของทุกชนิดเนี่ยถ้าเรียกเราไม่ตั้งใหม่ก็เรียกซ้ําเขาถ้าเรามาเรียกตั้งชื่อใหม่มันก็ใหม่ภาษาเอาภาษาเป็นภาษาเราภาษาตั้งขึ้นใหม่เองอีกก็เป็นใหม่เพราะฉะนั้นจะใช้ซือสื่อแทนในยุคไหนกาละไหนก็ตามที่สื่อให้คนที่เข้าใจกันได้เขากดใช้พระพุทธเจ้าจึงใช้อย่างนั้น ในยุคนั้นคมนาคมก็ยังไม่กว้างสังคมก็ยังไม่กว้างก็ใช้กาหนดเอาอยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดเลยในภาษาอันนี้ก็อาตมาไว้ว่างๆจะอธิบายความนี้ฟังละเอียดกว่า น, นี้ตอนนี้เวลามันหมดแล้วอาตมาก็เลยขอผ่านไปก็แล้วกันนะผมคิดว่านิทานชาโดกของพุทธเจ้าจะมีมาก่อนที่ประเทศอินเดียก็จริงไหมครับจริงที่สุดมีมาก่อนอยุคอินเดียมากมายกว่า น, นั้น แต่มาสื่อใช้ตั้งชื่อขึ้นมาเรียกอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้เป็นต้นว่าสารีบุตรเป็นชื่อของคนคนหนึ่งและโดยรูปนามที่จะต้องลงตัวเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีสาระเป็นลูกบุตรนี่ก็คือถ้ า, าศาสนาอื่นเขาเรียกว่าพระบุตร ลูกของพระเจ้าเพราะนั่ผู้นี้มีสาระของพระบุตรเป็นผู้รับถ่ายทอดของเนื้อหาสาระของพระเจ้าเรียกว่าพระบุตรสารีบุตรคือผู้นําสาระของพระเจ้าหรือนําสาระของศาสนาพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่นําสาระของพระุเจ้าได้ย่มที่สุดเป็นรองพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัส ต้องชื่อนี้นี่เป็นอจินไตคนนี้ต้องชื่อนี้คนนี้คือสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชื่อตัวละครหรือตัวที่มีในตำนานพระพุทธเจ้านะแม้จะเป็นคนจริงนะตรงหมดอัตมาอ่านนะเข้าใจซึ่งชัดเจนในผู้นี้จักคุบาลคนคนนี้จะต้องมีเรื่องของตาเป็นเรื่องสําคัญ สตรีมหามายาสุดโทษธรรมะสภาวะธรรมทั้งสิทธิสภาวะธรรมทั้งนั้นอัตมาเคยแปลสิทาไมต้องพมานดาต้องชื่อสตริมหามายาทําไมพระพุทธเจ้าต้องชื่อสิท ธ, ธัตถะแปลว่าเนื้อแท้ที่ยี่ยมยอดสิท ธ, ธัตถะสิทธะบวกอัตถะ สิตะคือสิ่งสำเร็จผู้ทิมความสำเร็จนี่อัฏฐะคือเนื้อหาสาระต่างๆที่เยี่ยมยอดที่สุดที่สุดเนื้อแท้ที่สุดนะเอาละเขาก็ยายความมาสมควรอา่าใบสุดท้ายโครงการบริหารน้ำของรัฐบาลซึ่งประมูลไปเมื่อวานนั้นใช้งบประมาณสามแสนห้าหมื่นล้านบาท ซึ่งกระทบกับธรรมชาติป่าไม้และลุ่มน้ำชาวบ้านหลายแห่งกำลังต่อต้านอยู่ครับรัฐบาลที่ใช้ภาษีอักกรของราษฎรอย่างสุรุ่ยสุร่ายนั้นจะเป็นการก่อ น, นิ่งให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปกระผมคิดว่าโครงการดังกล่าวนี้น่าจะกลายเป็นตำปาลาละลายแม่น้ำต่อไปครับพลดวตรีมินแสดงความเห็นมาก็เอาไปคิด ไปฟังกันแล้วกันอสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการตะเพียงตัวนี้จเจริญธรรมทุกคน